ก็จะพูดถึงวันนี้พูดถึงในเรื่องของสติสัมปชัญญะก็เลยพูดอยู่สองตัวเมื่อวานพูดถึงสัมปชัญญะแต่จริงๆสัมปชัญญะเนี่ยก่อนหน้านั้นจริงๆต้องพูดในเรื่องของสติเนาะแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะพูดวนเวียนวนเวียนอยู่ในคำพีสถิบฐานนี่แหละ <c oughs> ก็ก็เป็นการสนทนากันนะ สนทนากันแล้วก็สงสัยอะไรก็สอบถามพอดีช่วงนี้ก็เพิ่งกลับมาจากการไปที่อินเดียก็ไปที่ควานกุรุมาจริงๆแฟนกุรุเนี่ยเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าแสดงสติปฐานสูตรสติปฐานเนี่ยเป็นหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดง ทีนี้ในพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนวิธีการปฏิบัติกรรมาฐานมาฐานที่สำคัญทีนี้ในคัมภีร์สติปัฏฐานรุ่นแรกๆมาตั้งแต่พุทธกาลเนี่ยเกิดก่อนคำภีร์วิสุทธิมรรค คำพีวิสุทธิมรรคนี่เกิดขึ้นมารุ่นหลังคำภีวิสุทธิมรรคเนี่ยเป็นผลงานของท่านพระพุทธโคสเถระได้รวบรวมแต่งขึ้นเป็นภาษาบาลีในลังกาทวีปเมื่อราวพศ .900 แล้วก็บรรดาพุทธศาสนิกชนก็นิยมใช้คำภีวิสุทธิมรรคนั้นเป็นหลักในการฝึกหัด ทีนี้พระเถระบางท่านกล่าวว่าคมภีกรรมฐานในพุทธศาสนาบอกว่าก่อนคมพีวิสุทธิมารกนั่นคือคำพีวิมุตติมารกแล้วก็ระ บ, บุว่าคำพีวิมุตติมารกเนี่ยแต่งโดยท่านพระอุปติสสะเถระเป็นชาวลังกาผู้ที่มีชีวิตอยู่ในตอนปลายพุทธศตรวรรษที่6แต่งขึ้นไว้ว่าอย่างนั้นนั่น แต่ต้นฉบับเดิมน่ะสูญหายไปคงมีเหลือแต่ฉบับแปลไว้เป็นภาษาจีนซึ่งนักปาญี่ปุ่นผู้หนึ่งเกิดร่วมกับสมัยพระเทระชาวศรีลังกาสองรูปได้แปลขึ้นเป็นภาษาอังกฤษมาระยะหลังเนี่ยแล้วก็ต่อมาคำพีวิมุติมัชนี่แหละก็เลยเป็นแบบ แล้วเขาก็เลยสันนิฐานว่าแม้คัมภีวิสุทธิมรักก็เอารูปแบบจากคัมภีวิมุตติมรักนี่แหละเอามาแต่งขึ้นมาในยุคที่พระพุทธโคสอาจารย์จะริกจากอินเดียไปที่ศรีลังกาทีนี้สิ่งที่บอกว่าในการที่เราจะฝึกหัดเรียนรู้ในการปฏิบัติกรรมฐานก็คือเราก็จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของพระสูสูตรนี้บ้าง ซึ่งเป็นจริงๆเป็นประสดุสาคัญนะพูดถึงในเรื่องของกุรุชนบทและก็ประชาชนชาวกุรุบ้างตรงนี้ก็อยากจะพูดในรายละเอียดตอนที่ไปที่อินเดียตอนกลับมาก็ไม่ได้พูดบอกไว้ร า, ายละเอียดเขาท่อะไรก็เลยมานึกว่าเออก็อเก็บ อ, อกตรงนี้ไว้เพื่อจะได้เป็นข้อมูลทางด้านวิชาการขเขาก็เถียง ก, กันก่อนนั้นกุรุรัฐหรือแคนกุรุเนตั้งอยู่ที่ไหน เขาก็ถามกันตอนนั้นในกุรุชนบทในคำพีสติปฐานสูตรพระริเจ้าตรัสบอกว่าสเสด็จอยู่ในหมู่ชนชาวกุรุนิคมของชาวกุรุนั้นชื่อว่ากรรมมาสธรรมะใช่กรรมมาสธรรมะและท่านพระอัริยะาจารย์ก็เล่าเรื่องความเป็นมาของชาวกุรุและแคว้นกุรุกุรุชนบดไว้ทีนี้ ถ้าเราตามอัจฉริยะก็ดังที่เราเคยรู้กันว่าชาวกรุเนี่ยเป็นมาจากอุตรากรุทวีปนี่อัจฉริยเล่าอย่างนั้นเลยก็คือในโลกของเราทั้งใบนี้เขาเรียกชมพูทวีปแล้วก็ยังมีดาวอีกดวงหนึ่งเขาเรียกอุตรากรุทวีปนั่นก็มีมนุษย์อยู่อีกดวงหนึ่งเรียกว่าปุบพาวิเทหทวีปนั่นก็มีมนุษย์อยู่แล้วก็อัปรากโยยานทะทวีปก็เลยเป็นสีทวีป ชมบูดีปะหรือชมบูทวีปอุตรกุรุทวีปปบพาวิเทหาทวีปและอัปรากโอยานทวีปอเล่า ย, อ ย, อยอ่อๆเขาบอกอุตรกุรุทวีปเนี่ยโครงสร้างหรือใบหน้าของชาวอุตรกุรุทวีปเนี่ยจะออกในลักณะสี่เหลี่ยมถ้าหากว่าชมพูทวีปอย่างพวกเรานี่ลูกคงใบหน้าก็ใบหน้าลูกไข่นะูไข่ทีนี้ก็มีเรื่องเล่าที่พระเจ้าจักรพรรดิในยุคที่มีจักร นั้นก็คือว่าไปด้วยยาณนะาจักรด้วยกําลังฤทธิ์ของกําลังบุญของท่านแต่พูดกันในปัจจุบันก็คือมียานนั่นเองที่สามารถจะสร้างยาแต่จริงๆในยุคนั้นเกิดด้วยฤทธิ์ของท่านท่านก็ไปพอไปที่อุตรกุรุทวีปเนี่ยชาวอุตรากุรุทวีปก็ยกเมืองนั้นถวายพระพุทธเอพระเจ้าจักรพรรดิท่านก็รับไว้แล้วก็เลยสอนในเรื่องของ้ ด้วยให้ตั้งอยู่ใ น, ใ น, ใ, นในธรรมะกุศลกรรมบทสิบเป็นต้นแล้วท่านก็เสด็จกลับชาวอุตรกุรุทวีปก็บอกอยากจะมาเที่ยวชมภูทุยก็เลยติดยานของพระของพระเจ้าจักรพรรดินี้มาพอมาเบสเสร็จปุ๊บก็เลยเอามาไว้ในที่ตรงนี้ที่แคว้นกุรุนี่แหละแล้วก็เลยตั้งแต่ในยุคพระโพธิสัตว์มาแล้วก็แพร่ออกลูกออกหลานมาตามลาดับ นะข้าะเข้าพอพระเจ้าจากักรพรรดิสวรรคตอนุภาพของยานหรือจักรจักรคือยานที่ว่าอนุภาพของจักรก็หมดกำลังฤทธิ์ไปชนเหล่านี้ก็ติดอยู่ในชมพูทวีปแล้วก็สืบเชื้อสายมาตามลำดับพอสือบเชื้อสายมาตามลำดับก็เลยมาเป็นชาวกุรุรัตทีนี้ในแคว้นสิบหกแคว้นเนี่ยถ้าเราเรียนพุทธบัจะมีอังคะ ใช่ไหมเมืองหลวงก็คืออยู่เมืองจำปามาคตใช่ไหมเมืองหลวงชื่อว่าแคว้นราชคลึกกาสีก็คือเมืองหลวงก็วาลานาศีโกศนเมืองหลวงก็คือสาวัตถีวัชีแคว้นวัชีเมืองหลวงก็เวสาลีละก็มีทั้งปาวาและกุศินาราใช่ไหมเออแล้วก็เจตีก็บอกว่าเป็นนั้นเราไม่ค่อยคุ้นชื่อ ปกติศ่าวัศาวสโกสมพีรู้ก็รู้ในยุคนั้นเมืองหลวงชื่อว่าอินท ป, ปัดอินท ป, ปัตปัจจุบันถ้าไปเรียกว่าอินทร ป, ปัดนี่เขารู้เลยเขารู้ทันทีว่าเดลีออินทร ป, ปัตนดเขาจะเรียกลักษณะนี้แล้วยวนี้ก็จะมีชื่ออยู่ในซีบ็กแวรนน์จริงๆด้วยนะ ปัญจาระก็มีนี่แหละกัมปาระมัชชาสุราเสนะอัสกะอวันตีคันธาระกัมโพชาเนี่ยในสิบหกนักประหลาดโบราณเขาก็ให้ตั้งข้อสังเกตบอกว่าชื่อรัฐวิชนบทเนี่ยโดยเฉพาะอินทรปัตเนี่ยถ้าพูดกันก็จะรู้กันถ้าดูแผนที่ในอินเดียก็จะก็บอกว่าในอยู่ในเขตเดลีนั่นแหละเป็นกุรุชนบททีนี้ เล่าเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคำภีเรื่องราวพิสดารในคำภีมหาภารตายุทธ์กล่าวถึงบรรพฤษของพ่อครูราชกุมารด้วยว่าราชาคุรูเนี่ยเป็นกษัตริย์จันทราวงโอรสของสังวรกับนางตปฏีธิดาของสุริยะอาทิตย์สวยราทิชนบททางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย ก็คือราวท้องที่นครเดลีในปัจจุบันเนี่ยประชาชนมีชื่อว่าชากรุและประชาชนที่อยู่กันตามๆนั้นเขาเรียกกรุเกษตรกรเุกกรเษกษตรเขาเรียกทุ่งกุรุในภาคนั้นของอินเดียมีความสัมพันธ์กับราชากรุราชากรุนี่เป็นบรรพบรุษของกษัตริย์นะกษัตริย์แล้วก็าราอาณกุมารแต่โดยทั่วไปเรียกพวกโอรสของกษัตริย์ ที่กษัตริย์กลุ่มนี้ว่าเป็นพวกเการบเกาลบผู้มีเชื้อสายมาจากแควนคุรุเป็นต้นเหล่านี้ก็มีท่านริดเดวิดเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าชนชาวคุรูุ่ชนชาวคุรุในครอบครองประเทศซึ่งมีนคร อ, อินทรปัดเป็นราชธานีอยู่ติดกับนครเดนรีปัจจุบันและมีแควนปัญจาระตั้งอยู่ในทางตะวันออกแล้วกับแคนมัชฌะอยู่ทางทิศใต้ทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของ กูรเนี่ยนิคมที่เรียกว่ากรรมสาธรร ม, มะเนี่ยในพระสูตรพระพุทธเจ้าตรัสไว้หลายสูตรที่ตรัสเกี่ยวกับในเรื่องของในปัจจุบันที่เราไปกันก็จะมีสั ญ, ญลักษณ์นะนิคมจะไปเรียกว่าไปเรียกว่าเป็นหมู่บ้านก็ได้นนิคมใช่อยู่ในอยู่ใน นี่คมนั้นชื่อว่ากรรมาสะธรรมะครุใชาชาประเทศอินเดียเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาแบ่งฤดูเป็นสี่ฤดูนะนะบางภาคก็แบ่งหกแต่ในเดลก็แบ่งเป็นสามแบ่งมีสามฤดูก็คือฤดูฤดูแล้งหรือฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวนะบางแห่งก็ก็ดูเป็นฤดูแลรงฤดูหนึ่ง ดูร้อนอีกเ่อดูหนึ่งนี่เป็นตนน้นเนี่ยนะทีนี้ที่จะกล่าวตรงนี้ก็คือว่าเมื่อพระเจ้าเสด็จแคว้นกรุเนี่ยใกล้นิคมของชาวกรุที่ขี่ว่ากรรมศาสตรธรรมะเนี่ยถามว่าในครั้งนั้นพระเจ้าประทับที่ไหนก็ต้องประทับในแล้วในแน ว, น แ, นวแนวป่า<ม>แล้วก็ข้าก็ตรัสเขาว้บริเวณคอนครอินทรปัดกรุโบราณกล่าวไว้ในคัะบี่ตะขาวยะ เป็นที่ประทับพระเจ้านั้นน่ไม่ได้ตั้งไว้ในนิคมโดยเฉพาะแล้วก็บอกว่ากรรมมาศาสธรรมนั้นเป็นโคจราคามหมายความว่าเป็นสถานที่เสด็จบินตบาทแล้วก็สะดวกสบายในการบินตบาทก็คือก็คือมีความสะดวกสบายและรัดเนี้ยมีสัพายะเกดอย่างครบ หนึ่งอาว า, าสะส ป, ปายะสถานที่ที่อยู่เนี่ยส ป, ปายะคำว่าส ป, ปายะนี่คืออะไรรู้ไหมครับเอ่อมันถ้าอยู่แล้วเนี่ยมันสบายสบายทางด้านร่างกายและมันเอื้อต่อสภาพจิตใจที่มันกุศลและจิตเกิดง่ายนะฮะมันเอื้อสองส่วนนะที่อยู่สองอุตุส ป, ปายะอากาศก็เหมาะสม มันมันมันเหมาะสมแต่สุขภาพร่างกายทำให้ร่างกายได้แข็งแรงแล้วมันเอื้อต่อการที่จะทำจิตให้กุศลจิตเกิดได้ง่ายสาก็คืออาหารรับสปายะอาหารมันสะดวกสบายไม่เดือดร้อนในการหาอาหารหาของกินอย่าลืมแล้วว่าพวกนี้เข้ามาจากแฟว้นกุรุใช่ไหมเวลาเข้ามารวมกันอยู่มากมากกำลังกุศลก็แข็งแรงเหมือนกันชาวกุรุเขาไม่ต้องทามากิน อาหารนี่มันขึ้นตามที่ต่างๆไปนะที่ไหนเนี่ยข้าทั้งหลายมันอุบัติเกิดขึ้นเลยอากาศมันก็สปายะแก่เขาเพราะเขาบารวมกันอยู่ด้วยการประพฤติกุสุรกรรมของเขาเนี่ยอาหารมันก็สะดวกแก่เขาท้งด้านร่างกายฉะนั้นเขาจึงไม่ค่อยเดือดร้อนที่อยู่ก็ดีอากาศก็ดีอาหารก็ดีโครจระก็สถานที่เที่ยวไปโครจรไปหาอาหารไปหาที่ต่างๆเนี่ยมันสปายะเลยครับ หมันไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเขายัางเอื้อต่อร่างกายไม่มีโจนผู้รายผู้ชุกชุมไม่มีเหตุการณ์อะไรต่างๆก็แล้วแต่และในขณะเดียวกันมันเอื้อต่อการที่จิตเขาสบายเขาได้กุศ ล, ลจิตแล้วก็บุคลลคลสปายะนีือบุคลาสปายะคําว่าปุคลาสปายะคือบุคคลเขาประพฤติธรรมกันอย่างน้อยที่สุดก็คือตั้งมั่นในกุศลกรรมบทศี่ห้ากุศลกรรมบทพร้อมอยู่แล้วครับ เจตนาศีลเจตสิกศีล ส, ส, สังวรศีลนวิติกามาศีลไม่ต้องพูดถึ ง, งการงดเว้นจากการฆ่าการละการประพฤติผิดในาการมไม่โลภไม่โกรธแล้วก็มีสมาธิิเป็นพื้นฐานเนี่พระเจ้าเห็นเห็นชาวกุรุนี่พร้อมหมดเลยในสปายะหกอย่างส่วนเจนี่คือธรรมะสปายะใช่ไหมเป็นเรื่องของพระเจ้าพระเจ้าก็มานั่งพิจารณาด้วยพยานมีอยู่วันหนึ่งตอนนั้นพระเจ้าประทรับอยู่ที่ไหนอะประทรับอยู่ที่เชตาวัน โอ้ห่างจากเดลีกี่กิโลเป็นพันเรไม่รู้ถ้าปัจจุบันนี้น่าจะเกือบพันหรือเจ็ดแปด้ยกิโลเมตรน่เราพุทธิยาเสด็จมาจากนั้นแหละพร้อมด้วยพิกสุตรสองโม่ใหญ่เพื่อจะมาโปรดชาวกรุเนี่ยเสด็จมางั้นพอเสด็จมาเบเสร็จปุ๊บพวกเจ้าก็เอาสติปฐานสูตรมาแสดงเนี่ยฉะนั้นไม่ใช่แค่สติปฐานสูตรอย่างเดียวนะ ที่แสดงในแคว้นนี้เป็นพระสูตรที่ลึกซึ้งทั้งนั้นเช่นมหานิทานสูตรพูดเรื่องปฏิจจ์เป็นต้นสติปฐานสูตรนี่มีทั้งสองสูตรเลยนะมีทั้งมหาสติปฐานสูตรในทีขณิกายมหาวัชทั้งสติปฐานสูตรในมัชฌิมานิกายมูลปันาตแล้วก็อเนนชะส ป, ปายาสูตรนี่ในมัชฌิมานิกายอุปริปนาตอเนนชะส ป, ปายาสูตรแล้วก็มาคันธิยาสูตร นางที่สอนมาคันธิยะที่มาคันธิยะไปเข้าใจเรื่องเรื่องเรื่องกามคุณว่ากามคุณเป็นนิพพานของเขาเนี่ยแหละแล้วก็รุกข์บับรุกโขปมสูตรสัมมสนสูตรสาโรปรมสูตรอริยวาสาสูตรเป็นต้นเนี่ยนะในพระสูตรเหล่าเนี้ยบ่งบอกให้เห็นชัดว่าพระพุทธเจ้าแสดงพระสูตรที่ลึกซึ้งเหล่าเนี้ยใส่ลงใน กระแสชีวิตหรือกระแสความคิดหรือในสมองกว่าดาของชาวกุรุฉนั้นชาวกุรุรัฐเนี่ยเป็นชาวที่รับพระธรรมเทศนาได้อย่างทำไมจึงรับได้มากรู้ไหมครับหนึ่งไม่ต้องขนขวายเรื่องธรรมากินไม่ขนขวายในเรื่องที่อยู่อาศัยไม่ขนขวายในเรื่องอาหารเพราะมันมีพร้อมมันมันสปายะคนที่ได้มีโอกาสฟังธรรม คือคนมีความพร้อมถ้าอย่างในยุคปัจจุบันเนี่ยถามว่ามีใครบ้างที่พร้อมฟังธรรมทุกวันจริงๆที่จะเข้าวัดฟังธรรมมันไม่มีมันต้องเดกเดือดร้อนถ้าไม่ทำกินแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยไม่มีจะกินเลหยุดทำงานเดือนหนึ่งไปไม่เป็นเลยนะขัดสนอนละมานหมดเลยแต่ชาวกรุ๊ไม่ได้เป็นแบบนี้ครับเขามีความพร้อมจริงๆ เนี่ยพระเจ้าจึงเอาพระสูตรที่มีความลึกซึ้งใส่ลงในกระแสชีวิตของชาวกุรุได้เนี่ยแสดงตั้งแต่พระคําสอนที่จะเป็นปัจจัยแก่บรรลุปเป็นพระโสดาบันสกอาธานะคะยันอรหันต์เลยได้เลยครับนั้นบุคคลเหล่านี้มีความพร้อมมากและพร้อมถึงขนาดว่าให้สังเกตดูนะว่าความคนที่มีความโลภก็ไม่รุนแรงความโกรธก็ไม่รุนแรงความหลงก็ไม่รุนแรง เวลากิเลสไม่รุนแรงเนี่ยเวลารับพระธรรมเทศนาไปแล้วเข้าไปปฏิบัติได้ส่วนคนที่ถูกกิเลสเหล่านี้โจมตีเป็นระยะระยะมันปฏิบัติในชีวิตจริงไม่ได้ราคาโทสะโมหะโจมตีเป็นระยะระยะระยะกายทุจริตว จ, จีทุจริตมโนทุจริตโจมตีเป็นระยะระยะมันปฏิบัติไม่ได้มันกระท่อนกระแท่งกระท่อนกระแท่นเพราะกิเลสมันหนาแ น, น่นมากแต่คนที่มีกิเลสเบาบางเนี่ยมันจะง่าย มันจึงสะดวกพทธเจ้าจึงเอาพระสูตรนี้มาแสดงหนะ้าที่ตรงนี้เลยพอแสดงพระสูตรสูตรนี้โอ้โหลือลั่นมากครับความนิยมนับถือสติปัฏฐานสูตรนี่จะเล่าให้ฟังนะี่โอ้โหชาวพุทธในยุคสมัยขั้วตธการเนี่ยกล่าวไว้ในอัตฉริยธรรมบททามิกะอุบาศกชาวเมืองสาวัตถี ท่า น, นรรมิกะอุบาสกเนี่ย เ, เป็นหัวหน้าของอุบาสกห้าร้อยแล้วก็มีลูกชายเจ็ดคนลูกลูกหญิงเจ็ดคนท่านเองและลูกชายลูกหญิงเนี่ยเป็นคนที่ประพฤตริรมให้ทานรักษาศีลทีนี้พระสูตที่ท่าน รักมากที่สุดก็คือสติปัฏฐานสูตรที่นี้ว่าต่อมาพราะท่านอายุมากอายุสังขารก็มันถูกโรคเบียดเบียนท่านอยากจะฟังสติปัฏฐานสูตรก็เลยนิมนต์พระสงฆ์มาสวดธรรมะที่บ้านธรรมะที่สวดก็คือให้มาสวดสติปัฏฐานสูตรนั่นแหละ เขบอกว่าจริงๆก็คือว่าพอมาถึงอ่ะพระถามว่าอุบาสกท่านประทับใจในสูตรไหนท่านทรให้เก่าบาสกบอกสติปทานสูตรครับพระท่านก็สวดเลยใช่ไหมเริ่มต้นสวดเลยเอกายโนยังพิกเวเมักงโคสัตตานังวิสุทิยาโสกบริเดวนัง สมาธิกมายาดูกาโทมนาซานังอทั้งกมายาญาญาซาติกมายานิพพานสาสัจจิกริยาญาญาทีทางจัตตารโอสติปทานาสวดไปตามลําดับเนี่นะเติ้อเติ้อเติอเติไปพอสวดยังไม่ทันจบเลยครับไม่ใช่ราชรถของเทวดาทั้งหกชั้นมากันเต็มหมดเลยครับเขาบอกว่า พวกเทวดานำทิพรสหกคันมาจากเทวโลกชั้นละคันรถราชรถ ม, มีความยาวขนาดร้อยห้าสิบโยต์ประดับด้วยเครื่องอลังการแล้วพร้อมศัก์เทียมด้วยมาสินทบในคันละหนึ่งพันตัวนึงพวกเทวดาในรถแต่ละคันต่างก็ร้องเชิญชวนยกประเทศมาเลยอ่ะ ใครก็อยากให้ไปเป็นพลเมืองของประเทศเขาให้สิทธิพิเศษ <Thank you. S 1> ให้สิทธิพิเศษให้ให้บัตรประชาชนพลเมืองพิเศษเนี่ยว่ากันเถอะร้องกันหมดเลยร้องกันลั่นใครก็กลัวจะท่านจะไม่ไม่ไปใช่ไหมร้องกันเลยครับมาเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกท่านจึงบอกรอก่อนรอก่อ น, <c oughs> นพระกันนกวก็เออท่านพอท่านไม่อยากฟังต่อแล้ว แต่ท่านก็พูดหลับตาพูดอยู่งั้นท่านเห็นท่านไงพาก็เลยอ้าวอุบาสกไม่อยากฟังแล้วก็พากันกลับพอโคนสนทนานกเทวดาแต่ละชั้นแต่ละชั้นสักพักหนึ่งอ่ะจะไม่ใช้เวลานา น, านเนี่ยบอกล้อก่อนล้อก่อนไม่จะเชิญเชิญเธอไปได้แล้วเงี้ยทุกคนก็พัลนาจะชี้ให้ฟังนะครับว่าถ้าพวกเรามีบุญนะครับ เทวดาทั้งหกชั้นเนี่ยเขาจะมารับด้วยตัวมันเองแล้วเชิญชวนประดับเครื่องอลังการละแล้วบริวารของเราเนี่ยที่จะเป็นบริวารของเราเมากันหมดบุญที่เราทำเขาไว้ทั้งหมดเนี่ยแล้วมาไปเสร็จพวกก็จะพัลลานาชนิดที่ถามว่าเอาบอกมาที่ในจาตัวมหาราจกามีอะไรดีถ้าเราจะไปเขาพลนาตุ๊ดเอา้า ตาวติงสายามาดุสิตานิมานดรดีปรารณิมิสวาสวัสดีแต่ละชั้นนะ่ะอย่าอย่า แ, แย่งกันเอาภารณาบอกมาเดี๋ยวเราตัดสินใจเองขนาดนั้นนะครับเลือกได้นี่เลือกได้ทีนี้ประเด็นมันก็เลยเนี่ยพอหลังจากนั้นได้ทำพิกาบาสกลูกลูกก็พากันบอกโอ้โห บอกว่าทรให้ก่าบาศกพ่อเนี่ยแต่ก่อนพ่อไม่เคยเบื่อในการฟังธรรมมากเลยคราวเนี้ทำไมพ่อพูดอย่างนั้นว่า ก, กันเถอะพูดแล้วก็พากันร้องไห้แสดงว่าพ่อกลัวตายพ่อกลัวตายร้องฮะทีนี้โอ้ทรให้เ ก, ก่าบาศกบอกว่าเอ๊ะทำไมลูกร้องไห้ทำไ ม, อำไมเอา้าพ้าหายไปไหนผากับบนแล้ว ก็ไม่ใช่พ่อไม่ได้ห้ามเมย์พ้าอยู่พ่อห้ามบอกว่าอย่าเพิ่งมารับนุน่นนะลูกเห็นไหมทุกชั้นมากันเต็มหมดแล้วลูกไม่เห็นมันก็บอกเอาดอกไม้มีดอกไม้มาพงมาอะไรมาไหมก็ถามลูกเลยบอกว่าลูกอยากให้พ่อไปอยู่ชั้นไหนนี่ประชมกันเลยอยากให้พ่อไปอยู่ชั้นไหน ลูกก็บอกว่าตามธรรมดาเนี่ยชั้นดุสิตเป็นที่ประชุมของพระโพธิสัตว์แล้วก็พุทธบิดาพุทธมารดาแล้วก็บัณฑิตทั้งหลายก็นิยมอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็พ่อก็เลยบอกว่างั้นลูกอธิษฐานเอาดอกไม้และโยนอธิษฐานแล้วพ่อกขาเบอกว่าฉันจะไปชั้นที่สี่ ชั้นดุสิ์ขอให้พวงมลาลัยเนี่ยไปค้องราชรถของราชร ด, ดสวรรค์ชั้นที่สี่คือชั้นดุสิตก็ลูกก็อธิษฐานโยนไปเห็นแต่ดอกไม้ลอยอยู่บรรยากาศแล้วก็บอกว่าวาสกาเทวโลกอุบาสกก็เลยบอกว่าถ้าเช่นนั้นขอให้ลูกเนี่ยบอกว่า คือเทวดาเนี่ยนะวเวลามาร้องเรียกให้มนุษย์ไปอยู่ด้วยเนะี่ยเทวดาจะบอกว่าอัตภาพของมนุษย์เนี่ยเป็นเหมือนภาชนะดินร่างทิพย์ของเทวดาเป็นเหมือนภาชนะทองว่ากนเถิดที่เมื่อพวงดอกไม้ไปห้อยในอากาศประชาชนและลูกๆที่มาในวันนั้นพากันเห็นหมดเลยแต่ไม่เห็นรถ อุบาสกจึงบอกว่าพ่อจะไปในภพชั้นดุสิตนี่แหละพวกเจ้าอย่าได้เสียใจเลยถ้าอยากจะไปเกิดในสำนักของพ่อก็จงทำบุญกันเหมือนอย่างที่พ่อทาแล้วท่านมิเกบอุบาสกก็ทำกาละคือตายหยุดหายใจในขนาดนั้นนะแล้วไปอยู่ในรถที่มารับในภพดุสิตท่านใดนั้นร่างกายของท่านก็ ประมาณสามาวุธพดขึ้นประดับด้วยอลังการละมีน้ำหนักเนหกสิบเล่มเกวียนมีนางเทพอักษรหนึ่งพันนางแวดล้อมแล้วก็มีวิมานลัตนะยี่สิบห้าโยนเนี่ยเห็นไหมว่าชีย่ยเห็นว่าในสมัยครั้งพุทธกาลสติปฐานสูตรเนี่ยไม่ใช่ดังในแค่แคว้นกรุ ไปถึงสาวัตถีสาวัตถีนี่ประชากรเจ็ดสิบล้านได้บรรลุทมกันห้าสิบล้านห้าแสนใช่นไหมได้อลองคิดดูที่ว่าทรมิกาอุบาสกเนี่ยเป็นอุบาสกที่มีบริวารมีบริวารหนะ้าร้อยเนี่ยไปที่ไหนรถจะฟังทรมากกันทั้งนั้นสแสดงให้เห็นชัดว่าสติปัฏฐานสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่กลุ่มบุคค ล, ลนีสาทยายกันได้ขึ้นใจ เอามาประพืชไปดงนั้นเขาจึงมีความเข้าใจในสูตรในการประพฤิชวิบัติได้เป็นอย่างดีและไม่ใช่แค่นั้นแฟนวัชชีแฟนมคตแฟนกาสีจะถึงแฟนส ก, กะัะเป็นต้นเหล่านี้เออถ้ามองนี้จะได้เห็นบอกว่าชาวพุทธในยุคสมัยคัพุทธการเขานิยมเขานิยมในเรื่องของการ ทรงจำแล้วก็ประพฤติตามในสติปัฏฐานสูตรกันทีนี้เอามามองดูในยุคลังหลังต่อมาในประเทศศรีลังกาในประเทศศรีลังกาเนี่ยในยุคลังหลังเนี่ยมีพระเถระทุกหนึ่งกล่าวว่ามหาสติปัฏฐานสูตรเป็นพระสูตรหนึ่งนรมดาพระสูตรตั้งหลายที่ชาวพุทธภาานี้ใช้ท่องสาธยายกันเป็นประจำ และเห็นความสำคัญนะในการสวดพระสูตรนี้บุคคลที่จะตายเขาจะสวดสูตร น, น, นี้ให้ฟังใช่เวลาคนอยู่ในในอนอยู่ในเตียงคนไข้ใกล้ตายเนี่ยเขาก็จะไปสวดสูตร น, น, นี้ งั้นถ้านมองงี้ก็จะเห็นว่านอกสติปฐานสูตรนอกจะเป็นคุณธรรมมันประเสริฐแล้วเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายแล้วเนี่ยสติปฐานสูตรยังเป็นคุณธรรมที่ทําให้คนตายเนี่ยนะฟังแล้วจะได้เป็นสัตว์ที่สะอาดเพราะในนั้นจะมีใช่ไหมสัตตานังวิสุติยาเนี่ยเพื่อความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขาต้องการความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดเป็นอย่างนั้นทีนี้ใน มันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งนะเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งก็คือมีพระบอกว่ากล่าวไว้บอกว่าท่านโสมนทถระได้กล่าวว่าด้วยเหตุที่สติปัฏฐานสูตรเป็นทางเดียวที่ผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งปรารถนาความสุขใจจะพึงปฏิบัติคนโบราณไม่เลือกว่าจะสังกัดอยู่ในสำนักหรือนิกายใด จึงต่างเน้นให้ความสำคัญในคำสอนของพระเจ้ากันดังนั้นในหนังสือจดหมายมิตรภาพของท่านนาคาราชนนาคาราชนเนี่ยเยกล่าวว่าพระสุคตเจ้าทรงตรัสไว้ว่าทางที่ผู้ปฏิบัติพึงดำเนินโดยเฉพาะคือสติปัฏฐานที่บังคับให้ ตามดูกายเพราะฉะนั้นพึงตั้งใจปฏิบัติรักษาสติปัฏฐานเพราะถ้าสติจางหายไปความดีทั้งหลายทั้งปวงก็จะเสื่อมซามลงไปด้วยนี่เขาเกล่าวไว้อย่างนั้นนะและอีกท่านหนึ่งชื่อท่นสารติเทพก็กล่าวไว้ในคำพีโพธเจรยาวตาลถ้าใจผู้เป็นนายงานผู้คม้มครั่งอยู่ด้วยกิเลสถูกผูกมัด ไว้ด้วยเส้นเชือกคือให้ผูกมัดด้วยเส้นเชือกคือสติอย่างแน่นแฟนแล้วอันตรายทั้งหลายทั้งปวงก็จะดับสูญและความสุขความสบายทุกอย่างก็จะตามมาท่านพูดว่าเงีนนะ้ย mm hmm. ก็คือว่าถ้าใครถูกกิเลสเนี่ยมันมันคุมอยู่ผูกมัดแน่นแล้วกิเลสมันมั น, ม, นมันกร ม, มทำให้คุ้มครั่งจงใช้สติน่ะ ใช้จิตทุนเทใส่สติผูกจิตไว้เหมือนเชือกนะเนอะเส้นเชือกคือสติอย่างแน่นแฟ้นแล้วอันตรายภายในอุปสรรคภายในเพชฌฆาตภายในคือกิเลสเนี่ยก็จะไม่ก้มรุ่มอันตรายทั้งหลายบาปกรรมทั้งหลายก็จะไม่เบียดเบียนเหมือนเถอะนี่อันนี้ขนาดนิกายอื่นนะนิกายอื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าในนิกายในมหายานไม่มีกล่าวสติประฐานสูตรไว้โดยตรง แต่มีบุคคลที่เป็นหัวเหาะหรือเป็นบุคคลที่เป็นตัวหลักในการเผยแพร่เนี่ยจะกลัาถึงเป็นจุดจุดไว้อย่างนี้ว่าให้ความสำคัญอย่างนี้ในประเทศของเราประเทศของเราแต่ก่อนเคยเห็นอุบาสกบัิกามีคนสมัยยุคอาจารย์ธนิตนอาจารย์ทนิตเนี่ยอยู่โพนี่ท่านบอกว่ามีคนตามหัวเมืองเนี่ยสมัยก่อนสวดสติปัฏฐานสูตรกันได้หมดเลย ในประเทศไทยเนี่ยว่างั้นเถอะในวัดบางแห่งในวันธรรมะธรรมะสวนาเนี่ยพุทธสารนิกชนไทยแต่ก่อนก็สวดบทนี้แหละสติปัฏฐานสูตรเนี่ยแล้วถือว่าศักดิ์สิทธิ์จนสมเด็จพระสังฆราชสาปุสาเทวะเป็นผู้รวบรวมพระสูตรต่างๆไว้หนังสือสวดมนต์ฉบับหลวงในหนังสือสวดมนต์ฉบับหลวงก็ชําระสติปัฏฐานสูตรนํามาพิมพ์ไว้ในหนังสือสวดมนต์ฉบับหลวงด้วย และได้บันทึกพิคราะห์เห็นว่าสติปัฏฐานสูตรที่คัดในบทนี้เป็นสูตรที่วิเศษที่สุดสูตรหนึ่งพูดอย่างนี้ที่ถือที่ท่านเขียนบอกว่าเป็นสูตรที่วิเศษเนี่ยก็เพราะว่าสติปัฏฐานเป็นหลักธรรมสาคัญในพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นความสําคัญมาแต่แรกแตสรู้ตอนนั้นพระเจ้าประทับที่ต้นอชาปาลานิโคตรลิมฝั่งแม่น้ําในราชนาในรู้เวลาภายหลังแตสรู้แล้วสัปดาห์ที่ ทรงปริวิตกถึงสติปัฏฐานสูตรและตลอดมาจนในปีที่เสด็จดับขันธปรินิพานขณะประทับอยู่ที่อัมพาปาลีวันใช่ที่เวสาลีเนี่ยที่ก่อนที่ก่อนพระปรงพระชนมยุสังขารที่ประทับอัมพุกามชัมพุกานหัตถีคามโพคณนครโพคนครเนี่ยพระเจ้าแสดง บอกกับภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่างมีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่างมีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุทำอย่างไรจึงชื่อว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งทำอย่างไรชื่อว่ามีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมภาชนญยมีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายเมื่อพิสูจเจริญลักษณะนี้ชื่อว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นนิพึ่ง มีธรรมเป็นเกอนมีธรรมเป็นที่พึ่งในขนาดใกล้จะบริณีผานยังบอกเลยว่าสติปัฏฐานสูตรมีความสําคัญอย่างนี้สรุปแล้วว่าถ้าใครเข้าถึงสติปัฏฐานสูตรคนคนั้นจะได้ที่พึ่งจะได้มีตนเป็นเกาะและมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยอย่างนี้เป็นต้นแค่นั้นสติปัฏฐานสูตรจึงเป็นพระสูตรที่มีความสําคัญ ในพุทธศาสนาอย่างมากพอจะเห็นไหมอันนี้กหลัฐานมาชี้พวกเราได้เห็นทีนี้ในสติปัฏฐานสูตรเนี่ย <Yeah. S 1> มีการกล่าวเขาไว้ทั้งในทีขนิกายทั้งในมัชิมนิกายนะ ถ้านในมหาสติปฐานสูตรก็เป็นระสูตรที่มีความยาวแล้วก็พิสดารค่อนข้างมากอาตานี้อธิบายเพื่อจะได้เข้าถึงในเรื่องการเจริญสติก็เลยพูดซะเยืนเยอะเลยอันนี้ถือว่ามีสาระบ้างไหมมีมมใช่ไหมอาตานี้พูดถึงในเรื่องของสติปฐานมาจากสองคำสติบวกปฐฐาน ท่านแปลอธิบายกันไว้หลายอย่างว่าตั้งสติเป็นประธานบ้างนะตั้งสติเป็นประธานก็คือตั้งสติให้เป็นใหญ่ตั้งสติให้เป็นประธานตั้งสติให้เป็นใหญ่ตรงนี้สำคัญนะแล้วก็ตั้งสติไว้เบื้องหน้าบ้างบางทีก็ใช้คำนี้นะอย่างเช่นนะปริมุขังสติอุปทเทเปเทวาใช่ไหมตั้งสติไว้เบื้องหน้า แลก็คือตั้งสติกาหนดไว้เฉพาะกรรมฐานนั่นแหละในคำเพยียรอรรกถาหลายในเช่นที่ว่าสติประธานว่าเป็นที่ตั้งอยู่ของสติคำว่าสติประธานบ่าเป็นที่ตั้งอยู่ของสติอันนี้บ่งบอกถึงอะไรกายเนี่ยเป็นที่ตั้งอยู่ของสติเวทนาก็เป็นที่ตั้งอยู่ของสติจิตก็เป็นที่ตั้งอยู่ของสติ ธรรมะทั้งหลายมีนิวรณนะบัพพาเป็นต้นก็เป็นที่ตั้งอยู่ของสติสตแสลงว่าสติต้องมีที่ตั้งอะไรเป็นที่ตั้งของสติกายคือผมกายคือขนกายคือเล็บลมหายใจเข้าและลมหายใจออกก็เป็นที่ตั้งของสติฉะนั้นคาว่าสติในนี้เป็นที่ตั้งอยู่ของสติบ้างอีกอย่างนึง่ที่ตั้งเป็นประธานของสติบ้างที่ตั้งเป็นประธานของสติ ไอ้คำว่าประทานในที่นั้นก็แปลว่ามั่นคงแท้ที่จริงเนี่ยตัวมั่นคงจริงๆต้องเอาตัวสติด้วยเนี่ยตัวสตินีน่ทีนี้การตั้งไว้ด้วยสติชอบคํานี้ไหมการตั้งไว้ด้วยสติหรือสติตั้งไว้ก่อนอชอบคําไหนแปลได้ไรในยาและ ถ้าใช้คำว่าสติเข้าไปตั้งอยู่ชัดไหมคำนี้สติเข้าไปตั้งอยู่ฉะนั้นในสติปัฏฐานคาว่าสติเข้าไปตั้งอยู่สติบวกคาว่าอุปทานนะมาจากคำว่ า, ร า, นะวาสรนเถนะสติอุปัฏเถนะวะเสนะปัฏฐานานางอิติ สติจะาซาปัฏฐานานจาจติปีิสติปัฏฐานังก็แปลว่าเรียกว่าสติเพราะอัถวัลลึกเรียกว่าสติเนี่ยเพราะอัถว่าเพราะมีความหมายว่าร ะ, ระลึกเรียกว่าปัฏฐานด้วยเหตุที่เข้าไปตั้งอยู่นี่เป๊ะสองในยน่นนีไอ้ตัวสติเองเนี่ยลักษณะของสติคือระลึกด้วย และตัวสติเนี่ยเป็นปัฐานได้ด้วยคือการเข้าไปตั้งได้ด้วยใช่ไหม ล, ลึกด้วยแล้วก็เข้าไปตั้งได้อย่างแข็งแรงและมั่นคงด้วยการไปตั้งอยู่อย่างแข็งแรงและมั่นคง <c oughs> เกิดขึ้นติดต่อและต่อเนื่อง <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นด้วยจึงเรียกว่าสติปัฏฐาน <c oughs> ทีนี้ที่บอกว่า สตินั้นด้วยเข้าไปตั้งอยู่ด้วยจึงเรียกว่าสติปฐานใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสติเนี่ยตั้งด้วยไอสตินั้นด้วยเข้าไปตั้งอยู่ด้วยจึงเรียกว่าสติปฐานท่านประสงค์ให้เข้าใจคําว่าปัฐานโดยคําว่าอุปทานะคือเข้าไปตั้งอยู่เหมือนกับคําว่าอุปัตติตัตสติตายสติมาเป็นผู้มีสติเพราะเป็นผู้มีสติเข้าไปตั้งอยู่โดยถือเอาสติเป็นอะไรเป็นหลักสําคัญ สติเป็นหลักสำคัญท่านจึงที่บายว่าสตินั้นด้วยเป็นประธานนั้นด้วยเข้าไปตั้งอยู่ด้วยก็หมายถึงสติเก้ายวไปตั้งไว้เป็นหลักเป็นประธานนั้นความสาคัญจึงอยู่ที่สติทีนี้สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจให้ทุกแง่ทุกมุมก็คือเอาไปดูในคำภีคุตการนิกายจุนนิเทศหรือในอภิธรรมนะมาจากคำว่ายาสติ สตินะั่นคืออย่างไรอันนี้มาเจ็ดความหมายนะหนึ่งอนุสติอนุสติเนี่ยนะแปลว่าระลึกถึงระลึกถึงนี่ชัดไหมนึกถึงกับระลึกถึงนี่ชอบคำไห น, ไหนคำไหนชัดระลึกถึงนึกถึงลลคำที่จริงนั่นแหละคือมาจากอนุสติ เดี๋ยวจะขยายอีกทีนะ่เดี๋ยวจะขยายแต่ละศัพท์สองปฏติสติระลึกได้ระลึกได้ระลึกไว้ปฏติสติชอบคำไหนเนี่ยระลึกได้กับระลึกไว้ระลึกได้ใช่ไหมระลึกไว้ละลึกไว้ สติในความหมายคําว่าระลึกอยู่นึกอยู่อันนี้เอาขับเน้นปัจจุบันเนี่ยระลึกอยู่นึกอยู่ส่วนคําว่าสารณตาเนี่ยเขาแปลว่าเตือนศัพ์นี้แปลว่าเตือนห้าทารณตาอันนี้ขับเน้นนี่จําได้บางทีก็แปลว่าทรงไว้ทารณตา ส่วนคำว่าหอปิราปนาตาอปิราปนะแปลว่าแนบชิดแนบชิดแนบชิดในไหนแนบชิดกับอารมณ์แนบชิดไว้ในอารมณ์เจอสัมมุสนตาไม่หลงลืมเดี๋ยวขยายที่ศัพท์นะอนุสติ หมายถึงการระลึกย้อนหลังเช่นศีลานุสติระลึกถึงศีลของตนที่รักษามาระลึกถึงเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลระลึกถึงปาติโมกข์สังวรศีลอะอินทรีย์สังวรศีลอาชีวประิสุทธิศีลปัจจะย ส, สันนิติตศีลที่ตนเองเคยรักษามา กายกรรมสะอาดวัจีกรรมสะอาดอาชีพบริสุทธิ์กำจัดความทุศีนได้แล้วกายวาจาใจสะอาดความเป็นผู้มีความเชื่อมัน่นเป็นต้นละลึกและจิตมันชื่นบานเบิกบานเป็นต้นอันนี้อนุสติเป็นศีลอนุสติถ้าจาคานุสติก็ละลึกถึงเจตนาทานกับวัตถุทานใช่ไหม ละลึกถึงตัวเจตจํานงจงใจตั้งใจที่ตนเองเคยสละเคยให้การละลึกถึงตัววัตถุที่ได้ถูกสละไปแล้วไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยเครื่องดุหอมยาอาหารไม่ว่าจะเป็นรูปประทานจัต tha ท, ทานา น, ทาทานางสีคัน tha ทานนางราสาธานนางโพธิพาธานนางธรรมาทานาทาทานา ง, าานางละลึกถึงอันนางปานางกลังวัดถังให้ข้าวให้น้าให้พระที่ให้แสงสว่างที่เราเคยให้มาเป็น ต, ตัววัตถกุกับเจตนาคือจิตที่คิดจะสละที่คิดจะให้ ที่ไม่ได้เป็นฉันท่าทานังเป็นต้นน่แต่เป็นจิตตะลังการะทานังจริงๆย้อนดึงนะดึงอารมณ์นั้นมาละลึกละลึกละลึกอันนี้เป็นจาขานุสติอันนี้เป็นอนุสตินะพุทธานุสติละลึกถึงคุณของพุทธเจ้าทั้งในส่วนของจริยาคุณก็ได้พระสรีละคุณก็ได้พระพุทธคุณก็ได้ธรรมานุสติละลึกถึงพระธรรม ก็มีสว่าขาตะโถบโตเป็นต้นก็คือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่มีอาทิก ร, ริยานางมาเชก ร, ริยานางปริโยสานากกัยานางสัตถังสัมยัญชนะมีความงามในเบื้องต้นทตามกลางและที่สุดบริสุทธิ์บริบูรณ์คดทั้วครบท่วนถึงพร้อมในอัตถะเลียบยัญชนะนี่แหละแล้วก็สังขานิสติและลึกถึงคุณของหมัวเรียสง์สาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งเข้าถึงคุณธรรมเหล่านั้นเป็นต้นมีโสดาบันสกาฐานาคาเป็นต้น อย่างเี้ยเป็นอนุสติจนถึงอะไรปุกเพนิวาส า, านุสติญาณญาณที่เป็นไปกับสติปัญญาที่เป็นไปกับสติตามระลึกชาติถุนหลังตนเองได้อันนี้เป็นอนุสติหมดเลยนะ <laughs> พอจะชัดไหมคาว่าอนุสติยังมีเรื่องอะไรตกหล่นบ้างไมอันนี้คืออนุสติ ต่อมาก็คือปฏิสติแม้จะทำระลึกได้ระลึกไว้เนี่ยยาวะเทวะยานามัตตายะปฏิสติมัตตายะ <c oughs> กายมีอยู่ก็เพียงเพื่อเพียงเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกเป็นที่ตั้งแห่งความรู้เห็นไหมกายมีอยู่เพื่ออะไร เวทนามีอยู่เพื่ออะไรก็ใช่ก็เป็นที่ตั้งของสติตัวไหนเนี่ยปฏิสติปฏิแปลว่าแปลว่ามีแปลว่าอะไรแปลว่าได้แปลว่าไวระลึกไว้ระลึกได้เหมือนที่กเจะยกตัวอย่างไว้ ยาวเทวญาณมาตายะปฏิสติมาตายะก็คือเพียงเพื่อรู้ไว้เพียงเพื่อระลึกถามว่ากายมีอยู่ไว้เพื่ออะไรเพื่อให้เป็นที่ตั้งของสติเข้าไประลึกและก็เพื่อให้ปัญญาเข้าไปสอบสวนวิจัยแยกแยะไม่ใช่กายมีอยู่ไว้เพื่ออย่างอื่น แต่เรามันไม่ได้มีกายไว้เพื่ออย่างอื่นเยอะเอ้ยเราไม่มีกายไว้เพื่อสติกับปรรัญญากัญญานะนี่เวทนาก็มีไว้เพื่อสติและเพื่อญาณนะจิตก็มีไว้เพื่อสติและญาณนะธรรมะมีที่ารธรรมเป็นต้นจนถึงอริยสัจก็มีไว้เพื่อสติเพื่อญาณนะตั้งเนี่ช อ๋อก็คืออย่างนี้ผมกายคือผมกายคือขนกายคือเล็บกายคือฟันกายคือหนังเป็นอารมณะปัจจัยให้กับสติเป็นอารมณะปัจจัยให้กับสติเป็นที่ตั้งให้กับสติอันนั้นก็เรียกที่อยู่เป็นอารมณะปัจจัยก็คือเป็นที่ ให้สติเข้าไปอาศัยระลึกนะแล้วถ้ามองให้เห็นชัดก็คือว่าเช่นสติเนี่ยระลึกผมจับผมดึงตรึงจับไว้ตรึงไว้ที่ผมเพื่อที่ปัญญาจะได้ไปแยกแยะสอบสวนว่าในผมนั่นมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสีกินรสโอชา ก็เป็นเป็นอารมณปัจจัยให้กับสติสติเป็นอารมณปัจจยุบันส่วนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นอารมณะปัจจัยก็คือตัวเข้าไปรู้เข้าไปรู้เขาเรียกว่าผมเป็นอารมณ์สติ เป็นตัวเข้าไปรู้อารมณ์เข้าไปรู้อารมณ์มผมเป็นอารามณะปัจัยกสติขนเป็นอารามณะปัจัยกสติและเป็นอารามณะปัจัยกสติสติเป็นอารามณะปะจัจจัยออารามณะปัจจัยยุบันนะอย่างนี้เป็นต้นจะยากขึ้นทุกคนคืออย่างนี้ว่าเวลาเรานึกถึงผม ไอตัวสติเนี่ยกำกับจิตให้ระลึกถึงผมแล้วก็ไม่ให้ผมหลุดลอยไปจากความรู้สึกจับอารมณ์คือผมนั้นไว้ให้มั่นคงแล้วปัญญาก็ไปสอบสวนไปวิจัยแยกแยะว่าในผมเนี่ยมันมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาเขาเรียกเอาวินิพุรครุป ถ้าผมที่ปักไปในหนังอศีรษะมันมีทั้งชีวิตรูปด้วยแล้วก็มีทั้งกายภระสาทด้วยเรียกว่ากายะทศกกราบกราบที่มีรูปสิบในสิบรูปนี้เป็นรูปที่เกิดจากกรรมก็มีเกิดจากิตก็มีเกิดจา ก, ก, กจอุตุก็มีเกิดจากอาหารก็มีเป็นต้นการที่กายกายคือผมเป็น เป็นที่อยู่เป็นที่ให้สติเนี่ยเข้าไประลึกแล้วก็ปัญญาเข้าไปวิจัยแยกแยะเพื่อจะได้เป็นมนสิการเห็นความจริงว่าผมไม่ใช่เราเราไม่ใช่ผมผมไม่ใช่อยู่ในเราเราไม่ได้อยู่ในผมให้ไปเห็นความจริงว่าละสักกายทิฐิ ความเห็นผิดว่าผมเป็นเราเราเป็นผมผมอยู่ในเราเราอยู่ในผมมันจะได้ถ่ายถอนอัตตาซึ่งมันไม่มีอยู่จริงผมมันคือสภาวธรรมคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุทาตปทธาตุลมที่รวมรวมกันเรียกว่าผมมันมีสมูหะสันฐานของผมปิดบังอยู่ทำให้ไม่เห็นความจริงว่าแท้จริงกายคือผมเนี่ยไม่ใช่สัตว์บุคคลอัตตาตัวตนเราเขาไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายเลยเป็นแต่สภาวธรรมที่ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นไปตามเหตุปัจจัยจริงอย่า ง, งนี้ไปตนนี่เป็นอย่างนี้เพราะปัญญาไปแยกแยะอย่างนี้แล้วก็เลยตั้หามานะัทิฐิก็ไม่อิงอาศัยก็เลยไม่เห็นว่าถ้าตั้หาไปเห็นผมปุมันจะบอกว่านั่นคือเราเนะเราเป็นนั่นนะนั่นคือผมของเรา เราเป็นผมนั่นคืออัตตาตัวตนของเรามันมีแก่นมีแกนมีอัตตาตัวตนไปสิงอยู่ในผมมีเราอยู่ในนั้นมีอัตตาอยู่ในนั้นแต่พอตัณหามานาทิฏฐิหายไปด้วยความเพียรด้วยสติด้วยปัญญากําจัดความยินดียินร้ายกําจัดความหมินผิดกําจัดตัณหามานาทิเที่ยวไปปุ๊บก็เลยเห็นกายว่าเป็นกาย เห็นกายเป็นกายไม่ใช่เห็นกายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอัตตาตัวตนเราเขาไม่ใช่เห็นกายด้วยความเป็นของงามเป็นของเที่ยงเป็นของสุขเป็นของอัตตาตัวตนเห็นกายว่าเป็นกายจริงๆการเห็นอย่างนี้ก็เรียกเห็นกายในกายเห็นกายก็ก็คือกายอ่ะไม่ใช่เห็นกายไพ่ไปเห็นว่าผมของเรา ผลของเราเลียบของเรามันไม่ได้เห็นกายแค่กายมันเห็นกายมันเลยกายเป็นหลินเป็นสวยซะนี่เห็นเที่ยงซะนี่เห็นสุกซะ่เห็นเป็นอัตตาตัวตนจำไว้แล้วมันไม่ใช่เห็นกายเป็นกายนะบางทีเป็นเห็นกายว่าสวยซะนี้ใช่ไหมเห็นกายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลซะนี่เห็นกายว่าเป็นผมพ่อผมแม่ผมเราผมคนอื่นนี่นี่ไม่ได้เห็นกายเป็นกายที่จริงภาษาของพระเจ้าเนี่ง่ายมาก ให้เห็นกายว่าเป็นกายแต่อย่าไปเห็นกายไพ่ไปเห็นสัตว์บุคคลเห็นด้วยความเป็นหญิงเป็นชายอันนี้มันเลยกายมันปรุงแต่งฟ่ำเฟือยปรุปงแต่งพิสดารผันไม่เข้าเรื่องปรุงแต่งไม่เข้าเรื่องมันเลยไม่ได้เรื่องเ <c oughs> ข้าใจยั ง, ย า, งยากไหมไม่ยาก สุตตรงนี้สำคัญเมื่อเข้าใจสุดตานี้อย่างลึกซึ้งอย่างทองแท้ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้มันได้แค่สุดตะแต่ไม่เป็นสุดตามยปัญญาที่มันเป็นสุดตามายาผมฟังแล้วมันเข้าใจอย่างลึกซึ้งจนเห็นกายว่าเป็นกายจริงๆเห็นกายว่าไม่งามเห็นกายว่าไม่เทียมเห็นกายว่าเป็นทุกข์เห็นกายว่าเป็นอนัตตา เห็นกายว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่อัตตาตัวตนไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายจริงๆเห็นกายว่าเป็นกายคือผมกายคือขนกายคือเล็บกายคือปันกายคือหนังกายคือเนื้อกายคือเอ็นกายคือกระดูกกายคือเยื่อในกระดูกกายคือไตกายคือตับกายคือปอดกายคือไส้ใหญ่กายคือไส้น้อยกายคืออาหารใหม่กายคืออาหารเก่ากายคือมันสมองจริงๆมันเห็นกายเป็นกายมันชัดลงไปอย่างนี้นี่เข้าใจระดับสุดตมยปัญญา ถ้ากินตามมยปัญญามันเข้าไปวิจัยต่อมานัสิการต่อใส่ใจต่อด้วยกําลังของโยนิโสมนัสิการลึกขึ้นละเอียดขึ้นชัดขึ้นนี่เขาเรียกกินตามมยาปัญญาใช้ทั้งสุตตะและจินตะมานสิการต์แล้วแล้วเล่าจนประจักษ์ขึ้นมาประดุ ด, ดังเห็นแก้วมั น, นีบนฝ่ามือนั่นเขาเรียกภาวนามยปัญญาใช่ไหมล่ะหลักการคืออย่างนี้มันถึงจะแทงตลอดความจริงใช่ไหม ที่นี่เราไปกันไม่กยถึงบางทีได้แค่สุดตะแต่ไม่ได้สุดตามยปัญญาบางคนได้สุดตามยปัญญาไม่ตามต่อไม่ติดต่อด้วยจินตามัญญาไม่อาศัยปัญญาทั้งสองเป็นฐานเพื่อให้เข้าถึงปัญญาที่ประจักษ์แจ้งคือภาวนามยปัญญาเราียไปไม่พออะไรเป็นตัวส่งทํำไม่พอกําลังของศีลกําลังของสมาธิไม่เพียงพอก็เลยไม่เข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์หมดจด ยานปัญญามันไปไม่ถึงก็แรงส่งไม่ถึงมันลดคันเร่งมันไอเครื่องมันไม่แรงพอพอที่วิ่งขึ้นเขาปุ๊บถอยให้เขาบูธเครื่องใหม่ก็คือฟังให้เข้าใจมณสิกาให้ท่องแท้ใช้กําลังทั้งสองอย่างนี่ตัวจะประจับแกนได้นะเป็นลักษณะแบบนั้นในมุมลักษณะอย่างนี้ที่ไม่ค่อยได้บอกกันเพราะไม่บอกกันก็ไม่รู้จะแนวทางในการปฏิบัติไม่รู้จะไปยังไงก็เลยติดรูปแบบกันอยู่ พอจะชัดนียังเนี่ยนี่ปฏิสติไปยาวเลยกลายมีอยู่เพียงเพื่ออะไระกายมีอยู่เพียงเพื่อให้เกิดยานนะหรือความรู้หรือกายมีอยู่เพียงเพื่อเอาไว้ระลึกให้สติไว้ระลึกกายมีอยู่เพื่อยา น, นะกับเพื่อสติเวทนามีอยู่ก็เพื่อยา น, นะเพื่อสติ มีอยู่ธรรมะมีอยู่ก็เพื่อญาณนะเพื่อสติที่จะได้ญาณะเข้าไปรู้สติเข้าไประลึกไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นแต่พวกเราเนี่ยเรามีกายไว้เพื่ออะไรมีรูปขันไว้เพื่ออะไรมีเวทนาขันไว้เพื่ออะไรมีสัญญาสังขารวุญญาณไว้เพื่ออะไรเพื่อให้ตัณหามานะทิฐิมันจับต้องมันรูปค้ามันเลยออกจังศักษสารละวัดไม่ได้ แต่พระพุทธเจ้าบอกว่ากายมีอยู่เพื่อปิิสติก็คือว่าอะไรนะยาวเทวะยานามตายะปิิสติมตายะเพื่อให้เกิดเพื่อเป็นอุปกรณ์ของการเจริญสติเป็นอุปกรณ์ในการเจริญปัญญายิ่งๆขึ้นไปเข้าใจั้ยคำว่ายานะมตายะสติมตายะเนี่ยใช่ไหมเป็นอุปกรณ์นะในการฝึกให้สติ จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นอุปกรณ์ในการฝึกปัญญาให้จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปกายเวทนาจิตธรรมมีอยู่ไว้เพื่อสติและปัญญาเป็นอุปกรณ์ว่าเจริญสติและปัญญาแต่ไม่ใช่เป็นอุปกรณ์แกการให้ตัณหามนติทิไปจับฉวยและลูกคำ้ำไม่ใช่เป็นที่เพาะของเพาะกิเลสหรือพาอภูนตัณหามนติฐิก็ย่ำวันผิดอริยาสาวกเขาไม่ทํากันแบบนี้เหมือนั้น ออฟังเงี้ยกิเลสก็เล่าร้อนแต่หนามาแนละ้วที่ถิ่บกูอยู่ไม่ได้โอ้หทำไมท่านเหล่านี้ทำไมมารู้จักตัวตนของฉันขนาดนี้ฉันจะอิงอาศัยอยากจะกินน้ำหวานสักหน่อยก็ละอายใจใช่ไหมมันมีอยู่เพื่ออะไรเพื่อเพื่อจะ หอเลี้ยงให้ตันหามันะที่ถีมันเจริญก็ไม่ไม่ได้มีอยู่ไว้เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการเจริญสติอุปกรณ์ในการเจริญปัญญาใช่ไหมก็ผิดวัตถุประสงค์ของชาวแคว้นกูรุ <laughs> ใช่ไหมวัตถุประสงค์ที่พระที่จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแมไอายนกแขกเต่าจริง <laughs> นกแก่เต่าเนี่โอ้โหเห็นเป็นกระดูก ทั้งภายในและภายนอกชัดเลยใช่ไหมก็ใช่ก็เรื่องเกิดขึ้นที่ที่กุรุใ น, นอัตถกถาบอกว่า พูดเล่าเรื่องกุรุอัตถกาถาเล่าอย่างนึงแต่ในชั้นดีกาก็ว่ากันอีกทีท่าก็มาขยายความขยายความถึงกลุ่มภิกษุณีนางนาประชาวดีโคตมีเทศอบรมกลุ่มนางภิกษุณีดังสติติฐานตอนนั้นที่มีคนมาซ่อมวิหารของกลุ่มภิกษุณีก็ลืมลืมนกแขกเต้าเข้าไว้ แล้วต่อมาก็เลยตั้งชื่อใหม่ว่าธรรมรักษาธรรมรกิตะบอกเออยังไงเธอมาอยู่ในสำนักของบัณฑิตแล้วจะอยู่อย่างสัตย์เาชะทั่วไปไม่ควรก็เลยจับนกเขกเต่ามานั่งฟังธรรมพนางนาประชาบดีโคเตมีก็แสดงธรรมเอกายโนยังพิกวลมะโคลายไปจนถึงกายานุปัสสนาส4บี่บับบับสุดท้ายก็คืออติกางอธิการกระดูกกระดูกกระดูกก็เลย ได้อัธยาศัยก็เลยให้ท่องกระดูกกระดูกเอ้าท่องไปก็ให้ดูให้เรียนรู้ไปเรืเ่อยๆนะเข้านะเข้าได้กุศลสัญญาจำหมายเห็นกายตัวเองทั้งหมดเป็นกระดูกแล้วเห็นกายภายนอกด้วยพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกเป็นกระดูกหมดเลยได้กุศลสัญญาเลยมยีวันหนึ่งก็ะพึงแดดอากาศหนาวลองจิกจ๊กๆิก จ, กจกอยู่ ไม่ใช่ก็เขาเป็นไอเป็นไอเหตุการณ์ปฏสนธินี่แหละแต่ได้กุศลสัญญาใช่กุศลสัญญาจําหมายว่าเป็นกระดูกกระดูกกระดูกแล้วกุศลและจิตเกิดแล้วมันจําภาพได้มันเป็นกระดูกจริงๆเห็นเป็นกระดูกทั้งหมดเนี่ยทั้งภายในภายนอกได้เห็นด้วยความเป็นกระดูกใช่ไหมเพราะอุบายวิธีของกลมพิษตุนีมัมีอุบายวิธีเยอะ ใช่เขาจะสามารถเนรมิตกระดูกให้เห็นก็ได้เนี่ยเพราะเขามีฤทธิ์มีอะไรต่างโอ้นกแขกเต้าก็ตื่นตาตื่นใจก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่เห็นเลยเขาจนจำเป็นกระดูกเลยเห็นเป็นกระดูกได้เลยกุศลจิตเกิดได้เลยเขาเห็นจนเป็นสัญญาเห็นจนกลายเป็นกุศลและสัญญาเป็นกระดูกเป็นจาหมายเลย ก็ได้ก็ได้ได้สุขติได้ทีนี้ประเด็นตรงนี้แหละที่ว่าต่อมาก็เหี่ยวเชียวเธอก็ร้องแก้กิ๊กกิ๊กกิ๊กกรอกเนี่ยนกนกแต่นี้กลุ่มภิกษุณีก็เลยถือไม้วิ่งวิ่งไปไล่แล้วต่อมาเหี่ยวก็ปล่อยก็เลยนางภิกษุณีก็จับมาก็ถามรมรักษา เ, เธอคิดอย่างไรเมื่อเหยี่ยวมาจับเธอไปเธอมั่นใจในพระธรรมคำสอนของพระเจ้าว่าเธอไม่เป็นอันตรายนี่นอนเพราะว่าในขณะที่มีสติระลึกเห็นว่าเป็นกอดูุกกองใหญ่มาจับกระดูกกองเล็กเนี่ยสตินั้นเป็นตัวรักษากุศลละจิตไว้ทำให้เพชฌฆาตภายในฆาศึกภายในศัตรูภายในคือความกลัวเป็นต้นไม่เกิด ก็เลยป้องกันอุปสรรคภายนอกมีอันตรายทั้งหลายมั่นใจในพระธรรมคำสอนพระเจ้าก็เลยหลุดรอดมาได้มองไปที่ไหนก็เห็นกระดูกเกลื่อนกลนเต็มไปหมดเห็นมเห็นเป็นกระดูกเกลื่อนกลลไปหมดทีนี้เรื่องนี้แหละพระพุทธเจ้าอยู่สาวสถีดึงเรื่องนี้มาบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้นกแขกเต้า เป็นสัตติระชานยังฝึกได้ถึงเพียงนี้พวกเธอทั้งหลายได้อุดมมาเพศได้เพศของบุตรได้เพศอนอุกฤษแล้วเนั้นเธอฝึกได้มากกว่าสัตติระชานไม่มีประมาณจากปุถุชนเป็นพระโสดาบันจากโสดาเป็นสกอาธนะสกอาธาเป็นนาคานาะคาเป็นปรารังหันหรือฝึกเป็นพระประเจกเป็นพระเจ้าก็ได้ ใช่เนี่ยตรงนี้ก็เลยเป็นแรงกระตุ้นในยุคนั้นหัสติปัฏฐานกว้างใหญ่ดังมากมีอนุภาพมากทุกคนขนขายทำโอ้โหฉะนั้นยามใดที่ท่านกระทำแล้วมันไม่ค่อยได้ผลท่านก็นึกนกผิงน ก, นกแขกเต่าแล้วท่านก็จะมีพลังขึ้นมาทัานทีเลยเวลางวงง่ ว, งงวงขึ้นมาท่านก็นึกถึงน ก, นกแขกเต่า เพื น, นกำลังจะนอนอยากจะนอนอยากจะเล่นจะเป็นนกนกแขกเต่าได้จะต้องการหนามนั้นไปถ่ายจับเฉยแบบสัญญาณเอเป็นอะไเสียงน้ําเดือดถ้าเป็นนกแขกเต่าแปลว่าเขียนรละลึกถึงแล้วชื่นชมยินดีอยากจะเป็น เอาอย่างยกตัวอย่างเช่น ม, ม, ชมีสองสามีภรรยาใช่ไหมสองสามีภรรยาที่เดินทางไกลอุ้มลูกผ่านอุปสรรคอันตรายแล้วก็ ไปกลางแดดแล้วต่อมาก็อยากจะทิ้งลูกแล้วก็ต่อไปๆมาๆก็ภรรยาเขาไม่ยอมผัดกันอุ้มแล้วก็เดินไปเรื่อยอยู่ต่อมาสามีก็เหนื่อยก็เลยเอาลูกไปวางไว้ที่ใบไม้แล้วก็เดินแซงเดินอย่างนี้ไปภรรยาเหลียวกลับมาไปตั้งไกลแล้วเอา้าลูกหายไปไหน ก็โอ้ยร้องไห้ตำหนิสามีก็วิ่งกลับมากันมาดูลูกตายวางไวจนตายเนี่ยต่ต่อมาก็หิวมากแล้วอยู่ต่อมาก็มาอยู่ที่ม า, มาพอเลยจากทางกระดานแล้วก็ไปที่บ้านเศรษฐีหิวแล้วต่อมาเศรษฐีก็เอาข้าวไห้กิน กินสภรรยาก็ออกให้สามีกินก่อนตัวเองก็นั่งมองดูเจอนี้ยก็กินกินกินกินกินกินกินยังไม่เข้าเคี้ยวกินเสร็จก็นอนหมดแรงไปเห็นเศรษฐีดูแลสุนัขโอยอาหารอย่างดีเลยบ อ, อ, อเรานี้หมาสุนัขตัวเนี้ยมันบนุญดีเนอะเราให้สู้ไม่ได้เนี่ยคืนนั้นตาย ไอ้เจ้าเนี่ยตา ย, ตายพอตายเสร็จปุ๊บเลยไปปฏิสัที่ในท้องหมาตัวนั้นก็เลยเป็นสุนัขเ น, นี่ยนอะไรโคสกะใช่ไหมโคสกาเศรษฐีโอ้โหอยู่ต่อมาโดนเด็กกรรมจากการทิ้งลูกเรื่องยาวไม่เล่าแล้ว <c oughs> ทียจเล่าเคยเล่ามาไว้ครั้งหนึ่งนะเอาขสามสติ แปลว่าระลึกอยู่นึกอยู่กับระลึกอยู่นี่สติระลึกอยู่กำกับอยู่ไม่ใช่ปฏิสติสองแล้วก็คําว่าสติเนี่ยสามระลึกอยู่นึกอยู่เนี่ยหมายถึงสติระลึกคือกำกับอยู่เฉพาะหน้านี่แหละตรงนี้เหมือนกับคําว่าภิกษุนั้นมีสติมีสติอยู่หายใจเข้า มีสติอยู่หายใจออกโโสโตว่าอสติสโตว่าปัสสตินั่นแหละภิกษุนั้นมีสติอยู่นะหายใจเข้ามีสติอยู่หายใจออกหรือรู้สึกรู้สึกรู้สึกอยู่หายใจเข้าเนี่ยมีสติกํากับอยู่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยลักษณะเนี้ยหรือบอกว่า พึงเป็นผู้มีสติเดินไปพึงเป็นผู้มีสติยืนอยู่พึงเป็นผู้มีสตินั่งอยู่พึงเป็นผู้มีสตินอนอยู่พึงเป็นผู้มีสติก้าวไปพึงมีเป็นผู้มีสติก้าวกับพึงเป็นผู้มีสติแลดูแลเหลียวเป็นต้นเหล่านี้นี่คือสติก็คือสติสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดหรือในอียบทบพานั่นแหละ มีสติกำกับในการก้าวไปในการถอยกลับในการแลตรงแลเหลียวเป็นต้นนี่คือสติในศัพ์นี้แปลว่าระลึกอยู่นึกอยู่อันนี้แปลว่าจับ ก, ก็ได้นะหมายความว่าเหมือนกับควาว่าดึงไว้ร ะ, ะลึกอยู่ไม่ให้อารมณ์นะั้นมันหลุดไม่ให้หลุดไปเช่นเวลาลมหายใจเข้าออกเนะี่ยใช่ก็ดึงไว้ ไม่ให้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยหลุดไปจากความรู้สึกเนี่ยระลึกอยู่นึกอยู่ส่วนคำว่าสรณตาเนี่ยแปลว่าเตือนเนะเตือนให้ลึกขึ้นได้เช่นเราไปพบสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ฟังเรื่องราวใดเรื่องหนึ่งปุ๊บหัวนึกถึงเรื่องเหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งขึ้นมาได้หรือมีใครเตือนเนเทียบเคียงก็คือสรณาตาเตือนเนี่ย ลักษณะนี้ก็คือเห็นเรื่องราวตรงนี้ปุ๊บมันก็เตือนทําให้เราระลึกถึงอีกเรื่องหนึ่งนี่คุณลักษณะของสตินะเคยมีเคยเกิดไหมคนระัเช่นเราเห็นรถชนเราแล้วก็ระลึกถึงเหตุการณ์หนึ่งที่เคยเห็นสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือเห็นคนคนหนึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็ทําให้ระลึกถึงอีกคนหนึ่งซึ่งกระทาสิ่งแบบนี้มันเตือนแบบนี้เขาเรียกมาจากคาว่าสารณาตา สารณตาก็คือเตือนให้ระลึกขึ้นมาได้หรือเตือนทำให้ปลุกเร้าจิตใจตนเองได้ทำให้ตั้งอยู่ในกุศลความดีอย่างนี้เป็นต้นเคยเจอไหมสถานการณ์แบบนี้นี่ก็คือคุณของลักษณะของสติอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันส่วนทารณะไม่ใช่ไม่ใช่สารณะนะทารณะทาทอทงเนะี่ยอันนี้แปลว่าจำได้ การจำไว้อันนี้มาจากธาตุเดียวกันเนะี่ยทรงไวเช่นสุตตะธโรผู้ทรงไว้ซึ่งคําสอนที่ฟังมาธรมมะทธโทรผู้ทรงไว้ซึ่งธรมมะวินยัยะธโรก็คือทรงไว้ซึ่งวินยัยติปิตกาธโรก็คือทรงไวซึ่งพระไตรปิฎกทีนี้ คำว่าทรงไว้จำได้เนี่ยเป็นลักษณะของความจำเห็นไ้ยสติเนี่ยยังมีมองในแง่เป็นความจำด้วยนะแต่อย่างนี้นะว่ า, ญญาคือมันอย่างนี้ไอตัวสัญญาเนี่ยมันเป็นตัวเก็บข้อมูลแต่ตัวสติเนี่ยเป็นตัวดึงข้อมูลออกมาใช้มันจำข้อมูลนั้นออกมาดึงดึงเอาขึ้นมา เห็นไหมว่าตัวตัวสติเนี่ยบางทีเอาว่าอย่างนี้ว่าพวกเราเนี่ยสิ่งที่เราเห็นได้ยินและเกี่ยวข้องมาทั้งหมดเนี่ยสัญญาจับไว้หมดแต่เพราะเราไม่ไม่พัฒนากับสติให้เป็นสติพลังไม่มีกำลังพอสติเลยไม่สามารถดึงข้อมูลเหล่านั้นมาได้เสียหายมากเลย เรื่องในปัจจุบันชาตินี้เราจำมาเยอะแยะหมดผ่านเรื่องราวอะไรมามากหมดแต่ด้วยการที่ไม่ฝึกสติให้แข็งแรงไม่มีพลังไม่ฝึกสัมปชัญญะไม่ฝึกสติไม่มีสติปัฏฐานจึงไม่สามารถระลึกดึงข้อมูลเหล่านั้นมาใช้การอะไรได้เลยบางทีเป็นเป็นสถานการณ์ผ่านมาผ่านไปเสียหายหมด พวกเราเป็นคนมีประสบการณ์มาเป็นไม่รู้กี่แสนแสนชาติแสนแสนกับสีอสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนกับนี่เราเกิดมากกว่านั้นอีกแต่ข้อมูลเหล่านั้นกับไม่เป็นประโยชน์กับพวกเราเลยเนะถ้าเรามีสติที่มีพลังป่านนี้เราจะสามารถดึงข้อมูลเหล่านั้นมาวิจัยแยกแยะแล้วเราคงไม่ผิดพลาใดาในชีวิตนี่ที่มผิดพลาดในชีวิตน่เพราะสติมันไม่เป็น ธรรมตานี่แหละมันไม่จำไว้มันไม่ทรงไว้มันไม่ทรงไ ว, มไมงไว้มันไม่จำได้มันดึงขึ้นมาใช้ไม่ได้นี่ขนาดนี้เลยนะนี่แหละโทษของการไม่เจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันเสียหายแบบนี้โทษการไม่เจริญสติปัฏฐานมันเสียหายแบบนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นคนเบลออะไรไปก็ไม่รู้โอ้เสียหายมากทั้งๆั้งที่จาไว้หมด ทีนี้มันต้องตั้งหลักหมายล้ะอะไรมันเป็นเหตุทําให้เราฟั่นเฟือนและเลือนหลงขนาดนี้ใช่ไหมไตัณหามานะทิฏฐิหรือโมหะเป็นต้นอะไรนี้มันทําให้เราเลอะเลือนหมดเลยมันทําลายหมดมุตตสติใช่ไหยมุมตตสติอกุศลแล้วนี้ไอตัวฟั่นเฟือนและเลือนหลงกลุ่มอกุศลโลภะโทสะโมหะ กุศลละจิตมันไม่เกิดแล้วมันไม่มีพลังถ้ากุศลละจิตเกิดมีพลังสติมีกำลังมากๆามากมากมันดึงข้อมูลพวกนี้มาได้จิตมันไม่ใสจิตมันไม่สะอาดจิตไม่เอี่ยมอ่องผ่องแผ้วจิตมันมีมวลทินเยอะถ้าจิตมันแข็งแรงตั้งมั่นใสสะอาดไม่หวั่นไหวไม่ไม่มีริ้วขึ้นไม่มีไม่มีไม่มี ราคาโทรศาพทําให้จิตมันกระเพื่อมมันแข็งแรงตั้งมั่นละสามาระลึกอะไรก็ได้ทรงจำอะไรก็ได้ดึงข้อมูลอะไรมาใช้ก็ได้มันทะลุพบเลยเนื้อระลึกทะลุพบเลยเนเนี่ย <Okay. S 1> บานี้มันมันไปได้ไกลกว่านี้มากเนี่ยความที่เราไม่ใช้แล้วไม่ฝึกเช่ยมันไม่ฝึกนี่คือธ า, ารณตามันเลยไม่ทรงไว้ไม่จำไว้ อปิอปิราปนตาก็คือแนบชิดอปิลานี่ลออริงนอะปนตาก็แนบชิ ด, นะชดมันคําอะนี่แปลว่าไม่ปีลาปนนี่แปลว่าลอยบวกคําว่าตาตาแปลว่าภาวะหรือความก็แปลว่าความไม่ลอยไม่เรื่อนลอยหรือไม่ลอยบางทีก็แปลว่าไม่เลืะเนือนไม่ลอยในที่นี้ก็เหมือนว่า ถ้าลอยเหมือนกับไอตัวลูกน้ําเต้าแห้งเอาไปวางบนผิวนะมันลอยไปทํามนะแต่อภิลาปณ ะ, ะมันไม่ลอยเหมือนนั้นมันจมเหมือนแผ่นหินที่จมมันจมเหมือนกับใบแหลกที่มันจมดิ่งลงไปตรงนี้ก็คื อ, อ, อใจที่มันถ้ามันลอยเนะี่ยแปลว่าใจมันไม่อยู่กับอารมณ์หรือใจมันไม่อยู่กับเรื่องที่กําลังฟังอยู่ มันลอยไปมันลอยไปตลอดนี่ก็เรียกว่าปีลาปะนะถ้าอปิลาปะนะแปลว่ามันแนบชิดมันไม่ลอยมันจมดิ่งมันจับแน่นในอารมณ์นั้นเข้าใจไมครับอปีลาปะนะไม่ลอยก็คือมันจมมันแนบชิดอยู่กับอารมณ์เสมอเหมือนแผ่นกระเบื้องที่จมลงในน้ำเลยไม่ลอยเหมือนลูกน้ําเต้าฉะนั้นเวลาคนที่มีกาลังของสติตัวนี้ดี เวลาใส่ใจม า, าสิกาและลึกถึงอะไรปุ๊บมันจับแน่นแนบชิดกับอารมณ์นั้นดึงอารมณ์นั้นไว้มันจะดึงอารมณ์อะไรมาก็ได้โมโหมันแนบชิดปักแน่นในอารมณ์นั้นเลยไม่ปล่อยให้อารมณ์นั้นหลุดลอยไปเลยนี่เป็นแบบนี้นตัว ตัวจิตตัวจิตเนะี่ยเป็นกุศลละจิตเท่านั้นแต่ไประลึกสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ใช่ไประลึกถึงกายทศจริตก็ได้ว่าจีทศจริตก็ได้หรือระลึกในเรื่องไม่ดีก็ได้แต่ใจเป็นกุศลกุศลละจิตเพราะว่ามันแนบคิดติดกับอารมณ์จำแม่นในอารมณ์นั้นได้และมันรักษากุศลความดีไว้ไม่ปล่อยให้ศรัทธาเป็นต้นหลุดลอยไปด้วย แล้วไม่ปล่อยให้ใจนั้นหลุดลอยไปจากอารม์นั้นตั้งมั่นในอารม์นั้นด้วยคงงออนนือตัวมิจฉาสติเนี่ยไม่เรียกว่าอภิลานณะ<ม>ไม่เรีย ก, เ, ยกเพราะว่าอันนี้ อันนี้อธิบายตัวสติปฐานอธิบายตัวสติที่เป็นกุศลแต่ถ้าจะพูดถึงมิจฉาสติก็พูดอีกในย่านหนึ่งมิจฉาสติเนี่ยก็คือการการที่ระลึกหรือว่านึกในสิ่งที่ผิดระลึกในสิ่งที่ผิดตัวอกศุศสลจิตมันเกิดหรือแนบคิดกับอารมณ์ที่ผิดก็ได้ตั้งมั่นในการจะฆ่าสัตว์ก็ได้ ลอยไปอลอยประมาณเหมือนลูกน้ำเต้าลอยในส่วนของปีลาสตงะลักษณสติก็ไม่สามารถไปใช้ในมิจฉาสติได้ใช่ไหะอ๋อเป็นเนี่ยเขาเป็นเนี่ยเนนาา ข, า, ขาคือถ้าหากตัวลอยไปเนี่ยมันเป็นการเลื่อนลอยเป็นการเลือออเล้อนเลื่อนฟันเฟื่องเลื่อนหลงมันเป็นมิจฉาสติได้เพราะว่ า, าเวลาเป็นอกุศลแล้วมันก็ระลึกไปทั่ว ก็คือมันเหมือนเป็นเป็นกิจของอุทธจฉาเขาเกิดร่วมด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นวิตตบทางานด้วยอกุศลจิตทํางานอากุศลจิตวุบาททํางานด้วยมันจะมีสองส่วนถ้าส่วนในการตั้งมั่นในการที่ทจะทําชั่วนในเรื่องใดเช่นจะตั้งมั่นในการฆ่าสัตว์ตั้งมั่นในงานเขาเกิดร่วมกับมิจฉาสมาธิใช่ไหมเนี่ยมิจฉาสมาธิเขาเกิดร่วมกัน มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาวิยญาณทั้งหลายมันเกิดร่วมกันเพียรในการที่จะฆ่าสัตว์เป็นต้นเพียนที่จะเอาสัตวตราวุธฟาดลงในตัวสัตว์เพียนที่จะลักทรัพย์เป็นต้นไอ้ตัวอย่างนั้นเน่ยเขาก็เป็นการเป็ น, เ ป, นเป็นตัวอกุศรรแลแจิตเกิดขึ้นถามว่าตอนนั้นเน่ยเป็นความตั้งมั่นไหมเออใช่เป็นการตั้งมัน่นตั้งมั่นที่เป็นอกุศลแต่ความตั้งมั่นในอกุศลเนี่ยมาเทียบกันกับกุศลไม่ได้อกุศลมีความแข็งแรงกว่าเยอะ ในขนาดตั้งมั่นนั้นแต่ก็มีความรุ่มร้อนเล่าร้อนตลอดเวลาในสภาพของอกัสดนที่กําลังเกิดขึ้นในขนาดนั้นไม่ได้มีพลังอะไรจริงเท่าไหร่นี่เป็นอย่างไรอาศัยจากการปงแต่งอย่างมากมายอาศัยกิเลส ต, ต้องมีพลังอย่างมากมายในการที่เข้าไปกุ้มรุมรุบแวดล้อมจึงจะสามารถทําชั่วตรงนั้นออกมาได้ทีนี้ไอ้ตามว่ารอยเนี่ยเลื่อนรอยตัวเนี้ยมันเป็นชื่อว่า ตอนนั้นมันถูกความเลอะเลือนฟั่นเฟือนเลือนหลงมาโจมตีอุทจจะเป็นต้นเหล่าเนี้ยมาโจมตีมันก็เลยหลุดลอยไม่ตั้งมั่นแน่ลงอันนั้นน่ยมันเป็นตัวปฏิปักษ์ต่อสติเขาเรียกว่ามุตตสติอกุศลนี่เป็นอย่างนี้ อ, อ, อาสัมมุตสนตาก็คือไม่หลงลืมไม่หลงลืมก็ตรง ตรงกับคำว่าอัปปะมาทะคือความไม่ประมาททีนี้เอาดูในคำพิวิสุทธิมรรคเลยแล้วก็ดูลัคณาที่จตุกะของสติซะเลยทีนี้โอ้โหเราวันนี้พูดพูดยาวเลยเดี๋ยวเดวสรุปตรงนี้แต่เป็นเป็นประโยชน์นะ อแต่นี้ดูตัวสติในคำพีวิสุธิมักในคำพีวิสุธิมักเนี่ยนะบอกว่าอภิลาปนาล k a r n าสติอสมโมหาลักษณะ ส, าสาหารักาปยุนทานนาเป็นต้นตรงนี้ก็คืออย่างนี้บอกว่าลักษณะของสติก็คือว่ามีหน้าที่ลักษณะที่แนบคิดติดกับอารมณ์ก็ได้ลักษณะก็คือสภาพธรรมะ สภาวะธรรมที่ให้ธรรมะที่เกิดพร้อมกันกับตนระลึกมั่นต่ออารมณ์ระลึกมั่นต่ออารมณ์ทีนี้ไอ้คำว่าระลึกมั่นเองด้วยและในขณะเดียวกันก็ให้สภาพธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตลลนเนี่ยระลึกมันนนดดก่ น, รรมม น, น, นมไม่ให้อารมณ์คือรูปน้ำเป็นต้นเน่ยอันเป็นที่ตัง้งปกติลอยดุดลูกน้ําเต้าลอยตามน้ําด้วย มั่นคงต่ออารมณ์ใช่ไมไม่หลงเลืมมีหน้าที่ไม่หลงลืมเนี่ยกิจของเขาก็คือไม่หลงลืมไม่หลงลืมคืออะไรก็คือประโยชน์ในการเราแวดระวังรักษารักษาอะไรรักษาศรัทธาไว้รักษาความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาป รักษาวิริยะรักษาสมาธิรักษาปัญญาไว้รักษากลุ่มกุศลธรรมไว้ไม่ให้หลุดไปจากจากจิตนี่ระแวดระวังรักษาอยู่นี้แล้วก็มีสภาวะมุ่งหน้าสู่อารมณ์เป็นผลด้วยก็หมายความว่ารักษาจิตรักษาอารมณ์มุ่งหน้ามุ่งตรงสู่อารมณ์ มุ่งมุ่งหน้าสู่อารมณ์ทีนี้อะไรเป็นเหตุใกล้มีความจำได้หมายรู้หรือความจำที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้หรือมีความจำที่มั่นคงเป็นทางดำเนินชอบคำไห น, ม, นมีความจำที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้กับมีความจำที่มั่นคงเป็นทางดำเนินชอบอันไหน หรือมีมีกายยานุปัสสนามีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมะเป็นเหตุใกล้กับมีกายเวทนาจิตธรรมะเป็นทางดำเนิน อ, อันนี้ก็แล้วแต่จะชอบแต่ว่าจริงๆไหมว่ า, า, าคำว่าทางดำเนินเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่า ดำเนินชีวิตคลอ้อกับการว่ารูปธรรมรูปธรรม ท, ที่เดินไปแท้จริงคำว่าดำเนินชีวิตเนี่ยเป็นชื่อของนามธรรมโดยมากเนี่ยเราจะมีความจำที่ไม่ค่อยมั่นคงใช่ไหมเราไม่มีสติเพราะไอ้ตัวตัวสติเนี่ยมันมีความจำที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้ให้เกิดหรือมีความจำที่มั่นคงเป็นทางดำเนิน เพราะมีความจำที่มั่นคงเพราะไอ้ความจำมันมาร์คเครื่องหมายเข้าไว้มันเตือนใจไว้ไปทำอะไรมันมาร์คมากๆทำเครื่องหมายเข้าไว้เหมือนคนเดินทางไปในป่าเนี่ย <c oughs> ก็ตัดกิ่งไม้ปึ๊บปึ๊บ๊เวลาขากลับไม่หลงนี่เหมือนกันคนที่มาร์คเครื่องหมายอะไรเข้าไว้เนี่ยจะเป็นคนที่มีความจำดีก็ แ, แปลว่าแท้ที่จริงก็คือสติเตือนเกตจํานงก็กระตุ้นเตือน เตือสัญญาว่าเอียงมาร์กเขาไว้เอีงมาร์กเขาไว้พอมาร์กมากมาร์ากเขาไว้เท่านี้กลับมาระลึกได้หมดเลยเข้าใจไหมเนี่ยเขาเรียกฝึกฝึกสติก็มีกายานุปัสนาทั้งหลายเป็นทางดําเนินอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นสติเนี่ยถึงบอกว่าเป็นลักษณะที่บอกว่าสภาวะธรรมหรือสภาพธรรมที่ให้ธรรมะที่เกิดพร้อมกับตนระลึกมั่นคงต่ออารมณ์ เวลาสติเกิดขึ้นสติเนี่ยเกิดร่วมกับผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกรคตาชีวิตินทร์สีมนัสิการสติเกิดร่วมกับวิตกวิจารอทิโมกวิริยาปิติันทะสติเกิดร่วมกับศรัทธาอโลภาอโทสะตะระมชตตตาเป็นต้นสรุปก็คือสติเกิดร่วมกับเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สงสารขันธ์วิญญาณขันธ์ นา ม, มาทำสี่อย่างที่มีสติเกิดร่วมสติมีหน้าที่ทําให้ธรรมะที่เกิดร่วมกันกับตนเองระลึกได้ระลึกได้ทําให้นา ม, มาธรรมเหล่านั้นไม่เลื่อนลอยเหมือนลูกน้ําเต้าลอยตามน้ําแต่ทําให้สภาวะธรรมเหล่านั้นระลึกแล้วก็จําได้ระลึกได้แล้วก็คือมีการจมดิ่งในอารมณ์ มั่นคงในอารมณ์แนบชิดในอารมณ์นี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสภาวธรรมที่ระลึกมั่นคงต่ออารมณ์ก็หมายความว่าเวลาสติตัวสติเองเนี่ยนะเวลาเขาระลึกถึงกายถึงเวทนาถึงจิตถึงธรรมะหรือระลึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑะลึกถึงรูปนามเนี่ยเขาจะระลึกได้อย่างมั่นคง เขาจะระลึกได้อย่างมั่นคงและเขาจะตั้งมั่นเขาจะแข็งแรงเขาจะตั้งมั่นในเรื่องที่เขาระลึอกอยู่ไม่ลอยไปทั่วไม่ลอยเหมือนในน้าเต้าแห้งลอยตามน้ําแต่เขาจะตั้งจมลงไปเหมือนเหมือนแผ่นหินที่จมนั่นแหละและอย่างหนึ่งก็คือสภาวธรรมที่ไม่ให้อารมณ์เนือันนี้ไม่ใช่ตัวเขาเองแล้วยังไปล็อกอารมณ์ไว้ดึงอารมณ์นั้นไว้ไม่ให้อารมณ์คือรูปนามนั้น่ะ เป็นต้นอันนั้นเนี่ยอันเป็นที่ตั้งของสตินั้นลอยดุดลูกน้ำเต้าคือถ้าดึงดึงอารมณ์นั้นไว้จับอารมณ์นั้นไว้ก็จับแน่นในอารมณ์นั้นไว้เลย mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นสภาพที่ตั้งมั่นแล้วก็มั่นคงต่ออารมณ์แนบชิดกับอารมณ์มันมีสองอย่างนะครับไอตัวของเขาเองตั้งมั่นเองด้วยไม่ลอยไปด้วย และอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเข า, เ, ขาเองยังปกเล้าคุณธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ระลึกมั่นในอารมณ์ด้วยให้ตั้งมั่นในอารมณ์ด้วยและตัวสติเองยังไปต้องไปจับอารมณ์นั้นไว้ไม่ใหอารมณ์นั้นหลุดลอยไปไม่หลุดลอยไปด้วยและไม่ใช่แค่นั้นด้วยยังเป็นสภาวธรรมที่รักษากุศลและทำความดีไว้นะ ความดีไว้ให้ระลึกให้ให้ความดีไม่ให้หลุดลอยไปแล้วก็ระลึกถึงกุศลความดีเลื่อลึกถึงสติปัฏฐานเป็นต้นแล้วเวลาสติเกิดขึ้นสติก็เป็นธรรมะที่รักษาข้อปฏิบัติดีข้อปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นด้วยเห็นมเพราะไอตัวสติไม่เกิดนี่แหละข้อปฏิบัติดีข้อปฏิบัติที่เป็นประโยชน์มันถึงไม่เกิด ข้อปฏิบัติที่ดีสภาพจิตที่ดีเกิดขึ้นแล้วก็ผักให้เป็นการปฏิบัติออกมาทางกายการรมวจีกรรมและอาชีพให้เป็นการกระทำที่ดีที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นมีการก้าวไปถอยกลับแล่ตรงแลเหลียวเนี่ยข้อปฏิบัติดีๆทั้งหลายก็เกิดขึ้นจากสตินี่แหละลักษณะและหน้าที่ของสตินี่แหละเป็นลักษณะของเขาเป็นแบบนี้จิตของเขาก็คือกาจัดความประมาท กำจัดภาวะความขาดสติที่ทำให้อารมณ์หายไปเนี่ยก็คือรักษาอารมณ์ไว้อย่างมั่นคงไม่พอเนี่ยรักษาข้อปฏิบัติดีนั้นไว้ด้วยแล้วก็ทำให้ความไม่ประมาทเนี่ ย, เ, ยเกิดขึ้นกาจัดความประมาทความเพ้อเลอความขาดสติเป็นต้ น, นให้ออกไปด้วยนิกจิตของเขาเป็นอย่างนี้อาการของเขาเป็นยังไง ร, รักษาจิตรักษาอารมณ์ แล้วก็สภาพธรรมที่เป็นเหตุมุ่งหน้าตรงสู่อารมณ์ของจิตนี่เป็นอย่างนี้มุ่งหน้าตรงสู่อารมณ์ของจิตเขาเห็นรักษากุศลจิตไว้รักษาอารมณ์ไว้เนี่ยผลปรากฏเกิดขึ้นก็คือเป็นไปในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามุ่งหน้าสู่อารมณ์เป็นผลเฉพาะหน้าก็ได้นนชายก็คือมุ่งหน้าต่อตรงตร ง, ตรงต่ออารมณ์นั่นแหละหรือสภาพที่รักษาจิต แล้วก็รักษาอารมณ์รักษาจิตในนั้นคือรักษากุศลจิตเนื้รักษากุศลจิตแล้วก็รักษาอารมณ์ไม่ให้หลุดลอยไปเนี่ยรักษาอารมณ์ไม่ให้หลุดลอยไปเหตุใกล้ของเขามีสองส่วนสัญญาที่มั่นคงกับสติปัฏฐานมีกายเป็นต้นเป็นทางดําเนินหรือเป็นเหตุใกล้ให้เกิดพอจะชัดไหมกายยาเนืกายเวทนาจิตธรรมเป็นเหตุใกล้ เห็นไหมว่าลมหายใจเข้าออกที่เป็นกายอ่ะกายคือลมหายใจเข้าออกกายคืออยาบทสี่กายคืออยาบทย่อยกายคือผมขนเล็บฟันกายคือธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมเป็นต้นอันนี้เป็นเหตุใกล้เป็นทางดําเนินของสติเห็นไหมกายเวทนาจิตธรรมะเนี่ยเป็นทางดําเนินของเขาเขาก็เดินอยู่ในนี้แหละเขาก็ดําเนินไปในเรื่องเหล่านี้เขาแล้วก็ระลึกอยู่ในเรื่องเหล่านี้แหละ แล้วในขณะเดียวกันก็กป้องกันไม่ให้ตัณหามานธะิติเข้ามาอิงอาศัยแสดมีความเพียรมีสัมปชัญญามีสติกำจัดอภิชาและโท ม, มนัสในโลกเสียได้ไเป็นต้นโอ้โหพูดแค่สติอย่างเดียวปาไปชั่วโมงครึ่งเลยเดี๋ยวยังไม่ได้ยังไม่ได้แยกแยะรายละเอียดตัวนี้ มีใครถามอะไรไหมเวลาเวลาจับอารมณ์อะไรแล้วก็ไม่ปล่อยให้อารมณ์นั้นหลุดลอยไปจากความรู้สึกเช่นเวลา จับลมหายใจเข้าออกระลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกก็ไม่ปล่อยให้จิตวิ่งไปแสไปเรื่องอื่นหนึ่งจับดิ่งอยู่ในลมนั้นมั่นไหม <c oughs> จะระลึกเรื่องอะไรก็อยู่ในเรื่องนั้นจะจะนึกถึงอะไรปุ๊บก็ไม่มีเรื่องอื่นมาแทรกก็มั่นคงอยู่ในรมนั้นแข็งแรงมากตั้งมั่นในรมนั้น ฉะนั้นลักษณะของสติก็เรียกอภิลาปน า, ลนารคนาสติวะอุปรครณ์นาค น, นามีการไม่เลอะเลือนก็ได้กำหนดไว้อย่างแม่นยำสติเวลามาเกิดขึ้นแล้วว่าเตือนให้รู้จักด้วยนะว่าสิ่งนี้เป็นกุศลสิ่งนี้เป็นอกุศลสิ่งนี้มีโทษสิ่งนี้ไม่มีโทษทำเหล่านี้เป็นสติปทานทำเหล่านี้เป็นสัมมปทานอิทิบาทอินทร์ซี巴โพชงอริยมรรคเมื่อสติแยกได้ ปกติต้องฟังมาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าไม่ฟังแล้วแยกได้นะสมมุติฟังปุ๊บเนี่ยมันจำได้หมดใช่ไหมครับอันนี้เป็นสติปัฏฐานนี่สัมปทานนี่อิทธิบาทนี่อินทรีย์นี่พละนี่พุทธชงอริยมร์นี่ขันอายตนาธาตุนะพอฟังอย่างนี้ เ, เสร็จปุ๊บเพราะสติเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุแก่มีสัญญาที่มั่นคงทีนี้พอระลึกก็ระลึกสติปัฏฐานมาแยกได้ กายเวทนาจิตเนี่ยสติมาแยกได้เพราะจำแล้วก็มาดึงข้อมูลมาก็ระลึกได้ดึงข้อมูลที่จำมาก็ระลึกได้ดึงข้อมูลจับอารมณ์นั้นระลึกได้อะไรเงี้ยก็แยกได้แบบนี้เหมือนอะไรดีเหมือน ก, นกันกับว่าคุ้นขังของพระราชาเมื่อพระราชาจะถามว่าตอนเช้าเรียกมาบอกว่าดูทรัพในพระ ทองประครังนี้โอ้โหคุนคังนี้แยกได้ไหมไแยกได้เลยว่าทรัพย์มีเงินเท่าไหร่มีทองเท่าไหร่มีกามะนะเท่าไหร่มีทองแดงมีทรัพย์ต่างๆเท่าไหร่มีไร่นาเท่าไหร่แยกให้ทึดๆๆๆเลยแม้ฉั้นใดสติก็เหมือนกับคุ้นคังของเวลาชาอย่างนั้นเนี่ยนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้ทำนี้เป็นประโยชน์ทำนี้ไม่เป็นประโยชน์ทำนี้มีอุปการะไม่เป็นอุปการะเนี่ย ลักษณะในสติเนะี่ยมีหน้าที่ในการแยกแยะสิ่งเหล่านี้หมดเลยนะ อธไม่ถูกเออนั่นไม่ถูกเอเอนั่นไม่ถูกอไม่ถูกเลยสัตว์นั่นนะอะอภิลาอย่างนั้นเราอธิบายครับว่าปิลาปนะมันมันมันเลอะเลือนเออมันมันเลือดลอยไปตามอารมณ์แต่สติมันต้องไม่ลอยเพราั้นคำว่าอภิลาปนะแปลว่าไม่เลอะเลือนสัตว์นี้อภิลาปนาละลัคนาเนี่ย มีการไม่เลอะเลือนเป็นลักษณะแต่แต่เขาอุปมาน้ำเค้านะน้ำพลแบบประคภ ajar คือตรงข้าวใช่แั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาอุปมาไม่เหมือนลูกน้ำเต้าที่แห้งลอยตามน้ําเพราะถ้าลอยตามน้ําแปลว่ามันเลอะเลือ น, อ น, อนมันลอยไปก็เหมือนนี้เหมือนจิตเนี่ยหนูลอยไปตามเรื่องต่างๆเนี่ยจิตที่ขาดสติอ่ะ ลอยไปทั่วไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้สึกตัวไม่ระลึกอยู่ไม่จับอยู่ณนะอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งการจับอยู่แล้วก็ตั้งมัน่นแล้วก็จมอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนั่นแหละคือลักษณะของสติเป็นอย่างนั้นส่วนคำว่าอสศัมโมหะราสมีการไม่หลงลืมเป็นกิจหมายถึง หมายถึงว่าการที่บุคคลสามารถจําการงานที่ทำคำพูดที่ล่วงมาได้โดยไม่หลงลืมก็เพราะสติเป็นผู้แสดงบทบาทหน้าที่การที่บุคคลเนี่ยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้โดยไม่มีความผิดพลาดไม่คลาดเคลื่อนเช่นการทำการพูดหรือกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยสำเร็จรุล่วงโดยไม่ผิดพลาดอันนั้นก็เพราะสตินี่แหละ เป็นเครื่องกำกับดูแลและควบคุมเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เลอะเลือนไม่หลงลืมเขาถึงบอกว่าสติเนี่ยจำปาถนาในกิจทั้งปวงเหมือนเกลือจำปราถนาในอาหารทุกชนิดว่างั้นเฉะนั้นไม่ว่ากิจทางโลกทางธรรมอะไรก็แล้วแต่สตินั้นจึงมีอุปการามะมาก จึงเป็นทรรที่มีโอกาสล้ำมากฉะนั้นเป็นช่องทางหมายความว่าถ้าหากขาดสติหรือพลั้งเผลอเมื่มอไรปุ๊บอกุศลธรรมทั้งหลายคือโลภะโทสะโมหะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ไพ่บูรเลยอย่างนี้เป็นต้นสติเป็นธรรมชาติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความหลงลืมเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็กาจัด เขาเรียมุตตสติเนี่ยความเลอะเลือนความหลงลืนแล้วก็ตักเตือนให้เกิดเนีไม่ให้เกิดความหลงลืนเป็นธรรมที่ประกอบกั บ, กบจิตที่เป็นโสพนะจิตใช่ไหมจิตที่สวยงามย่อมกระตุ้นเตือนสัมยุญ ธ, ธรรมคือธรรมะที่เกิดพ ร, ร้อม ก, กับตนเนี่ยเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขญญารขนัญญขนธ์วิญญาณขันธ์คือกุศลจิตุบาทนี่นแหละให้ระลึกถึงเหตุผลให้ระลึกถึงเหตุถึงผลได้ก็หมายความว่ า, วาตัวสติเนี่ยเมื่อ ที่ไปแยกแยะสิ่งต่างๆนั้นได้เขาเกิดร่วมกับปัญญาเนะ่ที่พูดตรงเนี้ยหมายถึงเกิดร่วมกับปัญญาเมื่อเกิดร่วมกับปัญญาเขาจึงแยกแยะอะไรได้เหตุผลทั้งหลายเรื่องนี้เป็นต้นเกิดขึ้นได้เนี่ยนี่นี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้ก็หมายความบอกว่าให้หลุดวลันลึกอย่างยกตัวอย่างเช่น ระลึกถึงศีลระลึกถึงทานระลึกถึงอะไรทั้งหลายเหมือนที่กล่าวถึงเรื่องจารคานุสติศีลานอาศัยกําลังของสติเท่านั้นเขาเรียกว่าอนุสติตามระลึกหรือระลึกสิ่งที่เคยทําคําที่พูดเป็นต้นเหล่าเนี้นี่อนุสติมีพลังอย่างนั้นส่วนคําว่าอรักขาปยุปทานาวาวิสยาวิสยาพิมุขขาภาวะปยุปทานนารักษาอารมณ์ไว้ไม่ให้ออกไปจากจิต ไอ้ตัวนี้อารักขะเนี่ยอารักขะมีสองส่วนนะรักษากุศลคุณความดีรักษาศรัทธาเป็นต้นไว้ด้วยถ้ามองงี้ก็คือว่าท่านถึงอุปมาเหมือนกับเหมือนกับคนเฝ้าประตูปิดกั้นไม่ให้บุกพวกโจรผู้ร้ายทั้งหลายเข้าด้วยแล้วก็ ป้องกันป้องกันไม่ให้คนดีทั้งหลายออกไปด้วยนี่เหมือนกันการรักษารักษากุศลรักษาศรัทธาเป็นต้นด้วยไม่ให้ออกไม่ให้ออกไปจากจิตด้วยแล้วก็ปิดกัน้นใช่ไหมถ้าเรามองนี้ก็จะเห็นว่าถ้าดูในยุรนิเทศเป็นต้นที่บอกว่าสติเนี่ยเป็นตัวปิดกั้นกระแสของตัณหาไม่ให้ไหลเข้าสู่จิต ไม่ให้กระแสของตัณหาหรือกระแสของทิฏฐิกระแสของทุติิตไหลเข้าสู่กระแสชีวิตที่ปิดแล้วเนี่ยเป็นตัวปิดกั้นจริงๆแล้วก็รักษากุศลความดีไว้ส่วนปัญญาเป็นตัวตัดขาดกระแสเหล่านั้นมันคนละตัวเนี่ยปิดกั้นตัวปิดตัวกั้นหนึ่งก็คือสติจนตัวจะละขาดนั้นคือตัวปัญญาอย่างนี้เป็นต้น สติมีสภาวะที่เหมือนกันกับจดจ่อต่ออารมณ์โดยไม่ยอมละห่างเหมือนกับบุคคลจดจ่อต่อสิ่งใดซึ่งหนึ่งที่สนใจเป็นกรณีพิเศษเหมือนกับว่าต้องตาต้องใจอย่างนั้นแล้วมันก็ใส่ใจสติเป็นลักษณะแบบนั้นเขาจดจ่อเรื่องอะไรก็จะจดจ่อในลักษณะแบบนี้ผูกพันอยู่กับอารมณ์ถ้าอารมณ์นั้นมีอิทธิพลต่อจิตมากโดยเฉพาะอารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์ที่ดีงามสติก็จะจดจ่ออารมณ์นั้นมากขึ้น จะเป็นอย่างนั้นส่วนธีรัสัญญาปะทะฐานาก็คือสติมีความจําที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้และมีสติญญประธานสี่กา ย, ยาเวทนาเป็นต้นเป็นเหตุใกล้เนี่ยสัญญาคือความจําที่มั่นคงเป็นเหตุอันนี้ก็คือว่าการเก็บข้อมูลไว้ทั้งหลายเหล่าเนี้ยคนที่มีสัญญายอดเยี่ยมทั้งหลายสติก็เป็นเหตุใกล้ของสติได้ค่อนข้างมาแทำไมสติก็สามารถดึงข้อมูลนั้นมาเมื่อใช้ได้อย่างนี้เป็นต้น พอจะชัดเจนไหมสองส่วนนะครับ 1. สติเตือนให้ลึกถึงธรรมทั้งหลายเขาเรียกว่าอภิลาปนาลัคนาสติสองสติเตือนให้เลือกเอาธรรมะที่ควรเสกอันนี้เขาเรียกว่าอุปปคัคนารรลัคนาสติมีสองอย่างนะื้สติมีลักษณะสองอย่างอภิลาปนาลัคนาก็คือสติที่คอยเตือนให้ลึกถึงคิดถึงธรรมะทั้งหลาย สิ่งนี้เป็นความดีสิ่งนี้เป็นความอันนี้เป็นสติปัฏฐานสมปทานอิทธิบาทอินทรีย์พชะโอชง์อริยมรรคเนี่ยเป็นต้นเนี่ยอันนี้เป็นอภิราเตือนเตือนให้คอยลึกถึงธรรมะเหล่านั้นย่อมไม่ซ่องเสพอันมิควรเสพย่อมเสพธรรมะที่ควรเสพเช่นว่ากายทุติจิตวจีทุติิตมโนทุติิตกลุ่มนิวรธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่ไม่ควรส่องเสพเขาจะปิดเลย แล้วคส่องเสพสติปฐานสัมาประทานอิทธิบาทนี่หรือฉันทาวิริยะจิตตานญยานี่อันนี้ควรซ่องเสพเนี่ยสตินี่เขาเรียกว่าอภิลาปนะอันนี้อภิาปนะคืออย่างนี้เวลาสติเนี่ยนะครับเวลาสติเนี่ยเขาจาได้นะครับ จากการจําที่มั่นคงจากการฟังเมื่อฟังมาแล้วฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้เป็นสติปัฏฐานสี่นะกายเวทนาจิตธรรมะอันนี้เป็นวิปปารสีเนะี่ยเนี่ยว่าสุภวิปปาราสนิจจาวิปปารสุขาวิปปารอัตตาวิปปาราสนะเนี่ยแยกแล้วพอจากการฟังมาในสติฟัง สติเนี่ยจดจำอสติในการฟังระลึกระลึกร ะ, ะลึกบทเศษสัญญาก็จำไว้หมดทีนี้พอกลับมาระลึกสติดึงข้อมูลมาเลยว่ากายเวทนาจิตธรรมะกายานุปัสสนาจะสามารถเมื่อเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานจะละสุภาิปราชความเห็นว่างามได้มันแยกนี้มันจำได้มันระลึกได้มันเข้าใจอย่างนี้ เจริญเวทนานุปัสนาจะเป็นละสุขาวิปปล่าได้เห็นว่าเป็นสุขเจริญจิตตานุปัสนาจะละนิจาววิปปล่าเห็นว่าเที่ยงได้เจริญธรรมานุปัสนาจะละอัตราวิปปล่าความเห็นว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นต้นได้การที่ฟังมาอย่างดีไป็เสร็จสติก็แยกธรรมะที่ควรเสพธรรมะที่ควรจะลืเนี่อภิลาปณสติ ยกเว้นพระพุทธเว้นยกเว้นพระรัชย่าพระปเจรพระรัชย่าคนธรรมหลอดบุคคลละเนถ้าเป็นกลุ่มสุดตับอย่างเราๆทั้งหลายสาวกเนี่ยต้องฟังให้เข้าใจเท่านั้นไม่ใช่อยู่ๆฉุกคิดขึ้นเองได้ไม่มีไม่มีส่วนอุปคันนันลัคนาสติหมายถึงสติที่ชัดชวนให้ถือเอาคติในธรรมอันดีย่อมให้ระลึกถึงธรรมที่เป็นประโยชน์ธรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ ทำที่มีโอกาสระทำที่มีโอกาละย่อมละรมที่ไม่มีประโยชน์ถือเอาธรรมะที่เป็นประโยชน์ย่อมละรำที่ไม่มีอุปการะถือเอาธรรมที่มีอุกาละดุดนายทวารของพระราชาถ้าเห็นผู้ใดแปลกหน้าจะเข้าไปสู่ประตูพระราชวางังก็ย่อมห้ามไม่ให้เข้าไปผู้ใดมีอุปกาสระต่อพระราชาก็อนุญาตให้เข้าไปนี่เรียกอุปคัณ์นะนะลัคนาสติ แยกแยะสติที่มีอุปการะต่อปัญญาโดยตรงาตเานั้คืออ ย, อย่างนี้ว่าอสติที่ประกอบกับโสภณจิตโดยทั่วไปในขณะที่ลึกอารมณ์ที่ที่เป็นอดีตสัญญาเก็บจําไว้เนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นตามในแห่งปริยัติตามในแห่งที่ฟังมาเขาเรียกอภิลาปนัลลัคนาสติ ส่วนสติที่กระทำความรู้ตัวรู้สึกกําหนดรูปนามัน5ว่าอันนี้ควรเจริญหรือไม่ควรเจริญทั้งหลายอันนี้เป็นอุปนานารกรณ์นรรคณาสติก็คืออย่างนี้ไอ้อุปกรณนรรัตคณาสติเนี่ยเป็นตัวกันกรองหรือเป็นตัวจับเรื่องราวต่างๆส่งให้ปัญญาไปสอบสวน เพราะเขาไม่มีหน้าที่เ ข, ทเขาไม่มีหน้าที่ไปวิจัยแยกแยะอายกตัวอย่างเช่นสติไปกำหนดดูรูปขันธ์หรือกำหนดดูผมจับที่ผมระลึกที่ผมมาก็ระลึกแต่ปัญญาก็ไปแยกแยะในดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรบทั้งหลายไปวิจัยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาของผมนั้น เนี่ยเขามีหน้าที่จับอารมณ์แล้วแยกแยะแล้วก็ตั้งมั่นในอารมณ์นั้นระลึกในอารมณ์นั้นไม่ปล่อยอารมณ์นั้นให้ปัญญาเขาไปวิจัยแยกแยะอันนี้เป็นอุปครณ์นันละกณาสติดนั้นสติในที่นี้เขาเกิดร่วมกับอะไรเกิดร่วมกับสมาธิยังไงสมาธิพิคเวบาเวถาสม า, าตัวยะถาภูตังปชานาติเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็คือว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเมื่อภิกษุมีจิตตั้งมั่นและย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงอันนี้แปลแปลว่าสเตกเกิดโับสมาธิตั้งมั่นในอารมณ์ใดอารมหนึ่งเพื่อเป็นฐานปฏิบัติการให้ปัญญามาวิจัยเยอะนี่เป็นอุปกรณ์นะนะจะมีแข็งแรงจะมั่นคงในอารมณ์นั้นๆพอจะชัดไหม ย, ยากไหม <laughs> ก็ก็เป็นแบบนี้เลยที่นี้เอาแล้วที่จริงเนี่ยพูดถึงในเรื่องของลักษณะของบุคคลที่ไม่ประมาทไม่ประมาทเนี่ยก็คือว่าสักจะการีเป็นผู้ที่ทํากิจทุกอย่างด้วยความเคารพเนี่ยเป็นเหตุที่จะทําให้มีสติสองสาตจักการีเป็นผู้ทํากิจอย่างต่อเนื่องไม่ทอดทิ้งทุลั เหม็รรมกิจก็คือเพียรพยายามอย่างติดต่อและต่อเนื่องสอุทิตาการีเป็นผู้ทากิจโดยไม่หยุดชะงักเป็นชื่อของความบากักวิริยะ5ก็อเนกขิตตัดฉันโทเป็นผู้ไม่ทอดทิ้งฉันทะในใจห ก, ก็คือกุสเลสุทำเมสุอเนกิตตะทุโรเป็นผู้ไม่ทอดทิ้งทุระในกุศลธรรมทั้งหลาย ทั้งหกประการเนี่ยลักษณะของผู้ไม่ประมาทเป็นอยู่ด้วยสติพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าสัมมาสัมพวริยานพุทธเจ้าได้มาด้วยเหตุสองประการหนึ่งเป็นผู้ไม่มักน้อยในกุศลธรรมทั้งหลายสองเป็นผู้เพียรอย่างติดต่อและต่อนเนื่องนะแล้วก็บอก พระสัมมาถตถาคตเนี่ยได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้ก็คือเนี่ยทากิจทุกอย่างด้วยความเคารพเป็นผู้ทํากิจอย่างต่อเนื่องไม่ทอดทิ้งทุละกิจในการเจริญกุศลเนืแล้วก็เป็นผู้ทํากิจโดยไม่หยุดชะ ง, งักไม่หยุดเป็นผู้มีความประพฤติไม่ขาดสายประพฤติดีงามไม่ย่อห ย, ย่อนเป็นผู้ไม่ทอดทิ้งฉันท้ามีใจรัก ในการเดินกุศลอย่างติดต่อและต่อเนื่องฉันท่าไม่เสื่อมแล้วก็เป็นผู้ไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายก็หมายความว่าถ้าเป็นกุศลแล้วไม่ไม่เคยเบือเบ่อหน่ายมันเลยไม่ทอดทิ้งมันเลยนะีไม่ทอดทิ้งเลยนะฝักไฟในการที่ให้กุศลเกิดจริงต่อเ น, นื่องในการเดินการทํากิจกิจใดๆที่มันเอือ้อเอือ้อต่อกุศลเนี่ยไม่เคยประมาทพลาดพลั้งเลย ไม่ไม่ไมไมไมทอดทิ้งทุระในกุศลธรรมทั้งหลายก็คือว่าโอ้โหข้นขวาให้กุศลและจิตเกิดไม่มักน้อยในกุศลนั่นแหละนั้นมักน้อยไม่ไม่มักน้อยในกุศลนนงั้นถึงบอกว่าสติเนี่ยจริงเรียกว่าเป็นประหกประการธรรมก็คือธรรมที่มีโอกาสมาก กิจการงานทุกอย่างทางกายทางวาจาทางใจการทำการพูดทั้งหลายเนี่ยสติมีอุปการะจริงจริงวันนี้ก็เลยมาพูดเรื่องสติที่จะเกื้อกูลต่อปัญญาให้เราทั้งหลายได้เข้าใจอาจจะต้องเอาไปฟังบ่อยๆนิดนึงพอสมควรเกี่ยวเวลายังฮะอ๋อเป็นข้ออุปมามาพอจะชัดเจนนี่ยัง ออ๋จริงๆคืออย่างนี้ที่พูดเหมือนเหมือนขุนขุนคลังสติเหมือนขุนคลังเนี่ยหมายความว่าตัวขุนคลังก็มีหน้าที่รายงานพระราชาว่าตอนเช้าทรัพย์เหลือเท่าไหร่ตอนเพลนทรัพย์เหลือเท่าไหร่แล้วก็ตอนเย็นทรัพย์นั้นเหลือเท่าไหร่ไม่เหลือเท่าไหร่เป็นต้นสติก็ในลักษณะอย่างนั้นแหละเขาทาหน้าที่ในการ ทำหน้าที่แยกแยะนะว่าอะไรเป็นสติปัฏฐานสัมมาปัฏานอิทธิบาทเป็นต้ว อ, อะไรเนี้ยสติจะแยกแยะรักษณะแบบนี้นี่เป็นอย่างนี้ก็คือแยกแยะอันนี้ขันนี้รูปประขันเวทนาสัญญาสังขารนี้ก็คือละลึกได้ว่าเป็นอะไรอะไรต่างเพื่อให้ตัวปัญญาเข้าไปวิจัยแยกแยะอีกทีนึงนะ ไอตัวการหลักการปฏิบัตินี่นะคือมันอย่างนี้ว่าไอคำว่ามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเนี่ยกำจัดอภิชาและถมนัสเป็นต้นหเหล่านี้อ้าวยกตัวอย่างให้เห็นให้ชัดๆเลยนะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นในสัมปชัญญะบับนะในสัมสัปชัญญะบัพพาการการเดินใช่ไหม การเดินเนี่ยอะไรเป็นสาตธกาศสัมปชัญญะอะไรเป็นสปายะสัมปชัญญะอะไรเป็นโคจรสัมปชัญญะอะไรเป็นอสัมมวหาสัมปชัญญะนี่ดูงี้นะพุทธเดินบินาบาตถ้าเป็นโยมก็เดินไปซื้ออาหารเขากําหนดก่อนว่าที่ที่เราจะไปมันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ก็คืออาหารที่เราจะไปทางที่เราจะไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์ไหมต่อการที่จะได้อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อรูกปกายไหม ถ้ามันเป็นประโยชน์นี่ได้แล้วในด้านรูปรธรรมและทางด้านนามาทำแหละเดินไปทางเส้นนี้แล้วมันจะยังศีลสมาธิปัญญายังศรัทธาเป็นต้นจนถึงปัญญาเกิดขึ้นไหมนี่เขาเรียกกำหนดประโยชน์อันนี้เป็นาศาสตกาสะพัญญะถ้ามันได้ประโยชน์ปุ๊บกำหนดเดินไปเลยทีนี้บางทีเนี่ยมันเป็นประโยชน์จริงทางที่ไปเนี่ยแต่ว่ามันลดเยอะมันไม่ส p าย i n ฝุ่นมันเยอะมันไม่สปายะทางด้านร่างกายนะและมันเป็นกังวลกุศลมันไม่ค่อยเกิดคนมันมากมันพุกพ่านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่สปายะแต่ถ้ามันตรงกันข้ามก็เลยสปายะใช่ไหมเป็นสปายะสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะมันเกิดขึ้นทีนี้ในทางที่ไปเนี่ยแปลว่ามันเดินสติเดินสมาธิเดินปัญญารักษาพุทธคุณธรรมคุณอะไรก็แต่ถือ เขาเรียกถือสติถือสัมปชัญญะถือพุทธคุณทั้งหลายนี่ถือเมตตาทั้งหลายเป็นนั้นได้ต่อเนื่องทั้งไปและกลับนี่เขาเรียกเป็นโคจระสัมปชัญญะทีนี้ถ้าจะใครควรจะถึงอาสามโมหะก็คือว่าอ๋อไอจิตที่คิดจะเดินเนี่ยไอวาโยธาที่มันพัดผันไปในกระแสชีวิตที่ทำให้อยาบทเดินมันเป็นไปเนี่ยมันก็อ๋อมันก็เหมือนกับตัวหุน่น ก็มือสายชักแล้วก็คนชักมีสามเนี่ยการะจกายมีแค่เนี้นะหนึ่งไอ้ตัวหุ่นก็คือโครงร่างกระดูกทั้งหมดสายชักทั้งหลายเหล่านี้ก็คือตัวลมไอ้ทาตลมวายโยท่าที่มันผลักให้เดินผลักให้ยืนผลักให้นั่งผลักให้นอนผลักให้ก้าวไปถอยกลับเนี่ยไอ้เหมือนเหมือ น, นไอ้ตัวตัวสายชักส่วนไอ้คนชักเหมือนจิตจิตที่คิดจะเดินไปอ่ะ แท้จริงมันไม่ได้มีสัตว์บุคคลอะไรเลยนะเนี่ยหนึ่งโครงร่างที่เป็นรู ป, ปรธรรมสองสายชักซึ่งเป็นรู ป, ปรธรรมที่เป็นลมพัดผันตาป ต, ตามอวัยวะน้อยใหญ่ทําให้การเคลื่อนการชักกายเป็นไปได้สามก็คือมีจิตมีความประสงค์ที่อยากจะเดินมีสามตัวนี่แหละสามกลุ่มใหญ่ๆนี่แหละไอ้กลุ่มนามธรรมที่คิดจะเดินเนี่ย ก็คือกลุ ant, ่มเวทนาสัญญากลุ่มกุศลจิตุบาตก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ถ้าเดินในโรพะโทสามโมหาอกุศลผักให้สายชักจิตตชวายโยธาเป็นอกุศลผักให้การเดินไปหิวจัดเครียดจัดเดินไปใหญ่แล้วตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึไปตรงนี้แหละมันจะได้อาหารดีเว้ยเดินตึ๊ดตึ๊เดินเครียดเหลือเกินนืฝุ่นก็เยอะรถก็เยอะเดินตึ๊ดตึ๊ไปไหมเนี่ยมันก็ชักไปชักไปให้เดินไป แต่อกุศลผักอกุศลเป็นตัวเป็นตัวชักใหญ่อยู่ไอ้สายชักคือวาโยธาตก็ผักผักใหญ่ผักให้เดินผักให้ยืนผักให้ไปหรือไม่งั้นก็อกุศลและจิตเกิดผักวาโยธาให้นอนดีกว่าให้สายให้เภานอนไม่ไปสิไม่ไม่ลกุกเลยไม่ลกุกเนี่ยเนี่ยมันก็เห็นไหมเนี่ย ม, ม, มันก็มีว่าหนึ่งหุนน่นนะหุ่นก็บอกให้เห็นไหม เป็นตัวหุ่นสายชักคนชักนี่แหละที่ทําให้ยืนเดินนั่งนอนได้เขียนกระแสชีวิตตามความเป็นจริงอย่างนี้เขาเรียกอสัมโมหะาสามัมปชัญญะไม่หลงแล้วเห็นด้วยความเป็นเวทนาสัญญาสังขารยานกุศลจิตวิบากบ้างอากุศลจิตวิบากบ้างที่เป็นปัจจัยไหมก็คือนามะขันสี่รูปะขันหนึ่งแล้วมีสายชักเป็นรูปะขันผักไปผักให้กับพิษตาบ้างอ้าปากบ้างพูดบ้าง ขยับมือขยับเท้าบ้างยึกงักนึ่งงักไปเลยไม่มีอะไรครับมีแค่นี้แหละเห็นแค่นี้ยเป็นอาสามโมหะไม่หลงแล้วครับไม่หลงไม่หลงแต่มนุษย์ไม่เหมือนนั่งเห็นไม่ต้องฟังจนเข้าใจนะถึงจะไปเห็นสุดตาจนเข้าใจถ้าแค่สุดตาจําได้อย่างเดียวไม่ต้องเป็นสุดตามตญปัญญาแล้วก็คิดต่อวิจัยต่อจนเห็นความจริงว่ามันมีแค่ตัวหุ่นตัวสายแล้วตัวคน ไอตัวชักย้ายอยู่เบื้องหลังคืจิตจิตเป็นอกุศลจิตก็ได้เป็นกุศลจิตก็ได้แต่ท่านขับเน้นถ้าเดินสติปัฏฐานเป็นกุศลจิตต้องเป็นกุศลจิตต้องมีสติต้องมีสัมปชัญญะต้องมีความเพียรที่สร้างสรรค์แล้วก็จะเห็นชัดเลยตาเนียวเห็นว่าโอ้การเดินเห็นไหมใครเดินไม่ใช่สัตว์เดินไม่ใช่หญิงเดินชายเดินไม่ใช่อัตตาตัวตนเดินเห็นไหม เป็นเพียงแค่รูปปัธรรมใช่ไหมขันห้าที่มันรวมพลังกันอยู่เดินมันเป็นปัจจัยการเดินมุอนอาการเดินของใครไม่ใช่เป็นอาการเดินของหญิงของชายของสัตว์ของบุคคลใดๆเลยเพราะงั้นเดินเป็นอาการของรูปปัธรรมที่มีนมามธรรมเป็นตัวผักดันไปนั่นเองเดินได้เพราะอะไรไไดเดินได้เพราะจิตที่คิดจะเดินวายโยธาแล้วก็กรัชกาย ใช่ไหมมีไอ้สามตัวนี่แหละไอ้ตัวตัวคนชักสายชักตัวหุ่นเนีเนี่ยมันก็คือนี่แหละโครงร่างเนี่ยครับที่มันเดินเดินไปกันอยู่เนี่ยมันมีลมผักอยู่แต่เบื้องหลังของลมคือมันมีความประสงค์มีความคิดมีความอยากมีความต้องการเป็นต้นที่ไปเดินไปเดินไปเดินไปเดินกันเดินอย่างไม่รู้เรื่องกันเต็มไปหมดฉันบอกว่าสุ น, นัขบ้านสุ น, นัขจิ้งจอก ายืนเดินนั่งนอนมันก็รู้พ่ามันยืนเดินนั่งนอนใช่ไหมถ้าเราเดินยืนเดินนั่งนอนเราก็รู้ทำไมจะไม่รู้แต่รู้อย่างนั้นมันถ่ายถอนความเป็นสัตว์บุคคลอัตตาตัวตน ไ, ไม่เลยฉะนั้นเดินทั้งชีวิตมันถึงมันจึงไม่บรรลุตรงนี้ท่านต้องการบอกมาบอกว่าไม่ต่างอะไรกับสุนัขเดินไม่ต่างกันแล้วครับไม่ต่างอะไรกับสุนัขบ้านสุนัขริงจอด ไม่ต่างกันเลยเพราะมันไม่ได้ถ่ายถอนอะไรเลยอ่ะไม่ได้ถ่ายถอนด้วยความเป็นสัตว์บุคคลอัตาตาตัวตนอะไรเลยก็เดินกันมาถ้าเดินถูกต้องเจ็ดปีก็บรรลุใช่ไหมอา น, นิสงบอกว่ า, างี้ไม่เกินเจ็ดปีบรรลุอนาคตหรืออราหารันต์เจ็ดเดือนอย่างเร็วเจ็ดวันนี่เราเดินกันมาจนอายุจะแก่ตายกันอยู่แล้วเนี่ยอันนี้แปลว่าไม่เดินผิดพลาคจริงๆยืนผิดพลาดจริงๆนั่งผิดพลาดจริงๆนอนผิดพาคจริงๆน ไม่เป็นสติปัฏฐานถ้าเป็นจริงๆท่านบอกอันนี้สองไว้เนยะตึงตึงต้งตึง้งท้ายประศุตเลยบอกเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันใช่ไหมครับนี่เราเดินกันมาจนเท้าเหี้ยนเลย <laughs> เดินจนเท้าเหี้ยนหลยเออมันแยกไม่ออกจริงเว้ยมันหลงนี่ว่ามันหลงใช่ไหมเออมันเป็นโมหะมันหลงจริง สุนัขบ้านสุนัข ก, กินจอกทบนบอกมาเวลาเดินมันก็รู้มันเดินเวลานั่งมันก็รู้นั่งเวลานอนก็รู้นอยิงก็รู้นอนอย่างนั้นไม่เป็นสติปัฏฐานเลยไม่ถ่ายถอนความเป็นสัตว์บุคคลอัตราตัวตนเราเขายังเห็นว่าเป็นเราเดินสัตว์เดินหญิงเดินชายเดินอยู่เลยมันไม่แยกองค์ประกอบสุตตะไม่ดีครับ ไม่ได้สุตตามยะปัญญาจินตามัยะปัญญาไม่เกิดจึงไม่เป็นฐานของภาวนาคือปัญญาทีากขาไปประจกักษ์เห็นความจริงจนถ่ายถอนเห็นความจริงมันคือขันห้านี่ว่าเดินขันหายืนขันหานั่งขันหานอนใช่ไหมละ่ะก้าวไปถอยกลับทั้งหลายเลยนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยเขาเรียกได้มีสติสัมปชัญญะมีความเพียรที่สร้างสรรค์ชัดไหมนี่มันเป็นอย่างนี้อันนี้พูดแบบไม่ต้องออมตำลาพูดแบบความเข้าใจพูดเป็นอย่างนี้ถ้าอ่านตำราไปพวกเราไม่ค่อยเข้าใ นะนี่เป็นแบบนี้เริ่มจะชัดไหมเงี้ยต่อไปท่านก็ไปคิดวิจัยแยกแยะจนเกิดความเข้าใจวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์ อ, อีกฟังแล้วฟังอีกเดี๋สักพักหนึ่งแล้วท่านจะเข้าใจพอเข้าใจเสร็จแล้วทตเนี้ยท่านได้ฐานแล้วโอ้โหทต่นี้ยต่อไปท่านจะไม่เดินเหมือนสุนัขบ้านสุนัขกินจอกใช่ไหมร้องแรงนะในสถิติฐานนี้ท่านอุปมาแรงนะื้อท่านอุปมาแรงนะให้กระให้สะเทือนกันขนาดนั้นเลยโอ้จริงๆด้วยเว้ พอสมควรนียังสมควรอยู่สองรอบแล้ว น, นี้อ้าว <laughs> <laughs>